เรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมไทยตามที่ท่าบสปสชสีแดงรัฒนานันคมมาขอรัฒนาทุดยอโด้วยความรุขระิครับขอประกาศที่ถนึงนร้ตโซยต้าสอสหนสามห้าปตมสีดาครับขยับเพิ่ขึ้นเลยครับกอดกอสีหกหกเจ็ดปตมสีเทาครับับเพิ่มครับโซยต้า1นสามห้าแล้วก็กอด 4617ครับขอบคุณท่านขอเจริญพรทุกท่านที่มาร่วมการประชุมสัมมนาในวันนี้ซึ่งได้ทราบว่าส่วนใหญ่แล้วก็เป็นข้าราชการบางส่วนก็ทำงานปปออต <c oughs> ก็พูดรวมๆก็ถือว่าเป็นผู้ที่ทำงาน เกี่ยวกับกิ จ, ก, จาการสาธารณะนะเป็นบุคคลที่แม้จะไม่ใช่บุคคลสาธารณะทีเดียวแต่ว่าภารกิจที่ทุกท่านได้ทำก็เป็นเรื่องของการบริการประชาชนเป็นเรื่องของการรับใช้สังคมเพราะฉะนั้นหัวข้อที่จะมีมนให้ม า, มาบมาบรรยายในเช้านี้ คือเรื่องการทำงานเพื่อสังคมอย่างมีความสุขก็ยอมเป็นเรื่องที่สำคัญที่จริงแล้วเนี่ยการบ่งเป็นประโยชน์เพื่อสังคมหรือเพื่อส่วนรวมเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของทุกชีวิตก็ว่าได้ไม่ใช่เฉพาะบุคคลที่เป็นข้าราชการ หรือว่าบุคคลที่ทำ ง, งานกิจการสาธารณะที่มีหน้าที่อย่าง น, นี้ต้องเรียกว่าเป็นหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตทุกอย่างการที่โลกหรือธรรมชาติเนี่ยอุดมสมบูรณ์และเป็นที่อาศัยของสิ่งมีชีวิตนานาชนิด จนทำให้โลกนี้เนี่ยสวยงามเมื่อเรามองจากฟากฟ้าไม่ว่าจะมองจากดวงอาทิตย์จากดวงจันทร์หรือว่าจากดาวดวงใดในสุรยิยะจักรวาลโลกจะเป็นโลกที่เป็นดาวพระคราะหที่สวยงามมากอันนี้ก็เพราะว่าสัพพชีวิตนั้นเนี่ยได้ร่วมกัน สร้างสรรประโยชน์จกส่วนรวมก็คือพื้นที่พบนี้ที่จริงไม่ใช่พื้นที่พบอย่างเดียวรวมไปถึงบนฟ้าและใต้น้ำสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเนี่ยไม่ได้มีสัญชตาตญาณเพื่ออยู่รอดด้วยตัวมันเองเท่านั้นแต่ว่าจะมีภารกิจอันหนึ่งซึ่งขาดไม่ได้ก็คือว่าการทำเปเะโยอนห้กบส่วนรวมยกตัวยอย่างเช่นต้นไม้ ต้นไม้เนี่ยมันไม่ได้มีหน้าที่เพียงแค่ว่าทำยังไงมันถึงจะอยู่รอดได้นานๆแต่ว่าต้นไม้เนี่ยจะทำปิะยให้แก่บรรยากาศและแก่โลกต้นไม้ไม่ใช่แค่ดูดน้ำเพื่อไปเลี้ยงลําต้นกิ่งก้านใบเพื่อจะได้เติบโตยังงยืนและเพื่อจะได้แพร่พันธุ์ได้ยาวนานเท่านั้น แต่ว่าต้นไม้นี่ก็ยังขายน้ำให้ออกซิเจนเพื่อเป็นประโยชน์แก่สิ่งมีชีวิตอื่นๆและแต่แพลงต้อนตัวเล็กๆในมหาสมุทรมันก็ไม่ได้อยู่เพื่อตัวมันเองอย่างเดียวแต่ว่าเป็นเสมือโรงงานผลิตออกซิเจนให้กับโลกใบนี้ นกไม่ได้มีชีวิตเพียงแค่เพื่ออยู่รอดเพื่อแพร่พันสืพันมาไม่ได้มีชีวิตยอยู่เพียงแค่เจ็บหาอาหารให้ได้มากที่สุดเท่านั้นแต่วา่านกเนี่ยยังมีคุณุปการอย่างหนึ่งก็คือการเผยแพร่พันไม้ต่างๆให้หลากหลายและดดดูน นกเนี่ยเป็นนักปูกป่าชั้นยอดยซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปเพื่อเพื่อตัวมันเลยแต่ว่าถ้าไม่มีนกความหลากหลายของป่าก็จะขาดแคลนให้เราลองสังเกตดูสัตว์แต่ละชนิดสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดเนี่ยมันไม่ได้อยู่เพื่อตัวมันเองเท่านั้นแต่ว่ามันทําคุณประโยชน์ ให้กับสิ่งแวดล้อมบรรยากาโดยรอบด้วยอันนี้ไล่มาตั้งแต่จุลินทรีย์เล็กๆไปจนถึงะระบบนิเวืนกว้างใหญ่เซลล์แต่ละเซลล์ไม่ได้อยู่เพื่อตัวมันเองแต่มันพร้อมที่จะทำงานเพื่อให้ระบบในร่างกายของเราทำงานได้ มันพร้อมที่จะตายเพื่อให้เนื้อเยื่ออวัยวะอยู่รอดอันนี้มันเป็นเป็นเป็นหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเพราะถ้าตมาั้งกล่าวตั้งแต่แรกว่าการทำปละโยนให้กับส่วนรวมเนี่ยมันไม่ใช่เป็นหน้าที่ของเราซึ่งเป็นข้าราชการเท่านั้นแต่ว่ามันเป็นหน้าที่ ที่ติดมาตั้งแต่เกิดก็ว่าได้มันไม่มีใครสอนแต่มันมีอยู่ในสัญชตาตญาณซึ่งช่วยทำให้โลกนี้นาอยู่คราวนี้เนี่ยมนุษย์เรามีสติปัญญาเรายอมจะหนักว่าการที่เราจะอยู่รอดได้เนี่ยมันต้อง เอื้อเฟืื้อกูลสิ่งภายนอกด้วยเพราะว่าบุคคลไม่สามารถจะอยู่รอดได้หากปราศจากสังคมหาปราศจากสิ่งแวดล้อมที่เอื้อเฟื้อเกื้อกูลยิ่งเรามาอยู่กันเป็นประเทศชาตินะซำนึกในเรื่องของการทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติหรือว่าให้กับโลกทั้งโลกเนี่ย ก็ถือว่าเป็นคุณธรรมข้อหนึ่งแต่อย่างที่ตมาบอกไวปแล้วว่ามันไม่ใช่คุณธรรมแต่มันเป็นหน้าที่แต่เพราะว่าหน้าที่นี่เนี่ยก็จะเรียกเป็นธรรมะก็ได้อาจารย์พุทธทาสบอกว่าธรรมะนี่มีความหมายสีประการความหมายนั้ก็คือว่าธรรมะคือหน้าที่แล้วพราะฉะนถึงแม้เราจะไม่ใช่เป็นข้าราชการ คือแม้จะเป็นบุคคลธรรมดาการปฏิบัติธรรมยานก็คือการเออเฟอร์เกอร์กลุ่มตัส่วนรวมอันนี้ปัจจุบันนี้เนี่ยการทำงานื่อส่วนรวมเนี่ยมันมันกลายเป็นเรื่องที่ที่ลำบากยากลาบากขึ้นเพราะส่าสังคมปัจจุบันนี้เนี่ยเราได้สร้างค่านิยมที่เน้นเรื่องตัวตนสูงมาก ซึ่งมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติดั้งเดิมเราเน้นเรื่องความเป็นปัจเจกสูงมากจนกระทั่งคิดว่าเราสามารถจะอยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งสิ่งภายนอกความคิดแบบนี้มันไม่มีมันไม่มีในสิ่งมีชีวิตแต่มนุษย์เราเนื่องจากมีสติปัญญาเราก็สามารถที่จะสร้างวัฒนธรรมและอุดมการ์ตนทาให้รู้สึกว่า ชันอูได้แม้จะไม่ต้องพึ่งคน อ, อื่นข่านนี้แบบนี้มันก็ทําให้เกิดความเหงาตัวมากขึ้นในขณะที่คนแต่ก่อนนี้เนี่ยเขาจะไม่ได้มีความรู้สึกแบบนี้ภูมิปัญญาที่สืบ ก, กันมาแต่โบราณก็คือความตระหนักว่าบุคคลกับส่วนรวมแยกกันไม่ออกสุขภาวะหรือความสุขของบุคคลขึ้นอยู่กับ ส่วนรวมและการเอเื้อเฟื้อเกื้อกูลด้วยมีตัวอย่างที่อาตมาประทับใจแล้วก็มักจะเล่าให้ฟังอยู่บ่อยๆเป็นเรื่องของกองถ่ายสารคดีซึ่งได้มีโอกาสไปถ่ายทำสารคดีในต่างจังหวัดอันนี้คุณนิลมนเวทีสุวคุณเล่าให้ฟัง คุณนิลโมนี่เป็นนักทำสารคดีก็มีช่วงหนึ่งเนี่ยมีคุณป้าคนนึงเนี่ยเดินถือเดินผ่านมาในมือก็ถือปลาพวงใหญ่มีตาหลายตัวคุณป้า น, นี้ก็คงจะคุ้นเคยกับคนในกองถ่ายซึ่งส่วนใหญ่มาจากกรุงเทพก็เลยถามคนในกองถ่ายว่าไอปลาไอปลาพวงนี้เนี่ย ทำยังไงจะกินได้นานๆพอในกองถ่ายก็คิดกันเป็นการใหญ่บางคนก็บอกว่าเอาไปตาแกแดดบางคนก็กวาเอาไปหมักบางคนก็กว่าเอาไปใส่ตู้เย็นนะสุดแท้แต่จ ะ, จะคิดเอาคุณป้าบอกว่าไม่ถูกเลยคุณป้าบอกว่าถ้าจะกินให้ได้นานเนี่ยต้องไปแบ่งให้เพื่อนบ้านอย่างทั่วถึง ถ้าปลานี่จะกินได้นานต้องไปแบ่งให้เพื่อนบ้านอย่างทั่วถึงถึงจะกินได้นานสำนึกของคนสมัยนี้เนี่ยโดยเพาะในยุคปัจจุบันเนี่ยก็จะเขี่ยเป็นไปได้ยังไงถ้าเราไปแบ่งให้คนอื่นหมดแล้วเราจะมีกินได้นานหรือแต่สำนึกของคนแต่ไหนแต่ไรมาเขา เนักว่าถ้าเราจะกินปลาให้ได้นานเราต้องไปแบ่งให้คนอื่นเพราะอะไรเพราะเมื่อคนอื่นเขามีเขาก็จะไปแบ่งให้เราเมื่อเราเอื้อเฟื้อเกือเก้อกูลผู้อื่นอันนั้นแหละคือการเอื้อเฟือ้อเกื้อกูลตัวเองและประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวมแยกจากกันไม่ออกในสํานึกของผู้คนสมัยก่อนมันเพิ่งมาเปลี่ยนในสมัยนี้ที่ทําให้รู้สึกว่าการทาํางานเพื่อส่วนรวมหรือการเกือ้อกูลผู้อื่นเนี่ย มันต้องเป็นคุณธรรมชั้นเลิศแต่สำหรับสังคมสมัยก่อนแล้วเนี่ยอันนี้มันเป็นสามัญสำนึกพื้นฐานเลยก็คือว่าความเ e อืเฟื้อเกื้อกกันนั้นเนี่ยมันแยกไม่ออกกับการที่เราจะอยู่อย่างผ้าสุิเพราะฉะนั้นชาวบ้าก็เอเฟือเกื้กูลกันเป็นปกติเขาไม่รู้สึกว่านี่เป็นคุณธรรมแต่ว่ามันก็เป็นน้ำใจที่ทุกคนก็สามารถสัมผัสได้นะ อันนี้จะมาเรียกเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านซึ่งปัจจุบันมันก็หายไปแต่ถ้าเราเข้าใจตรงนี้เนี่ยนะเราก็จะรู้สึกว่าการทำงานเพื่อสังคมเนี่ยมันมันไม่ใช่เป็นสิ่งแปลกแยกจากชีวิตมันไม่ใช่เป็นเรื่องของวิชาชีพแต่มันเป็นเรื่องของคุณธรรมและสามัญสำนึกของบุคคลที่ได้เกิดมาบนพื้นโลกนี้ ตอนนี้พูดถึงการทำ ง, งานกพืสังคมอย่างมีความสุขเนี่ยแตม่มาที่ว่าถ้าจะพูดถึงแนวทางแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญเลยนะในทางพุทธศาสนาเนี่ยจะทำแล้วก็ตามให้อย่างนี้ให้มีความสุขเนี่ยไม่ใช่เฉพาะทำงานอย่างเดียวการเรียนการศึกษาหรือแม้แต่การปฏิบัติธรรมเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องมีก็คือ สิ่งที่ท่านเรียกว่าฉันทะฉันทะเราจะเรียกว่าเป็นความชอบก็ได้หรือจะเรียกว่าเป็นความใฝ่ใฝ่ทําก็ได้ใฝ่สร้างสรรค์จะทําแล้วก็ตามให้มีความสุขนี้ต้องมีฉันทะพูดภาษาง่ายๆชาวบ้านก็คือมีความรักเราจะทํางานอย่มีความสุขเราต้องมีรักมีความรักในงาน ความรักในงานเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากการที่เราเห็นคุณค่าของมันเท่าเรนักคุณค่าของงานเราก็จะรักงานชิ้นนั้นอันนี้มันตรงข้ามกับตัณหาตัณหาคือความอยากไม่ใช่อยากทำแต่อยากได้หลายคนทำงานเพราะอยากได้เดือนเดือนอยากได้ ตำแหน่งชื่อเสียงอันไหนทำแล้วไม่ได้อะไรฉันก็ไม่ทำอันนี้เรียกว่าตัณหาคืออยากได้แต่ไม่ใช่แรงจูงใจที่ประเสริฐแรงจูงใจที่ประเสริฐก็คือฉันทะคืออยากทำอยากทำเพราะรักรักเพราะเห็นคุณค่า แล้วเมื่อเราเห็คุณค่าแล้วเนี่ย <c oughs> ความเพียรความขยันนี่มาเองมีเรื่องเล่าว่าชายสามคนเนี่ยเป็นช่างปูนช่างปูนคนแรกเนี่ยทำงานกนะ่ออิฐอย่างเหนื่อยหน่าย คนที่สองก็กอ่ออิดเหมือนกันอดูใกล้ๆกันก็ทาํางานคล่องแคล่วว่องไวหน่อยแต่ทําไปก็ดูนาฬิกาไปทําไปสักพักก็นั่งพักแล้วแล้วดูนาฬิกาคนที่สเป็นคนกอ่ออิดเหมือนกันแต่ทํางานอย่กระฉับกระเฉงมากเหงื่อนิโซมเลยนะแต่ว่าทํางานด้วยความเข้าคล่อง เมื่อเราไปถามคนแรกว่าเขาทําอะไรคนแรกก็ตอบอย่างเหนืยนายว่าผมกําลังก่ออิฐครับไปถามคนที่2นะซึ่งทําไปดูนาฬิกาไปถามว่ากาลังทําอะไรเขาบอกผมกําลังก่อกําแพงครับถามคนที่3มซึ่งกระฉับกระเฉงมากเงื่อโซมเลยนะถามว่ากำลังทําอะไรเขาบอกผมกําลังสร้างวัดครับ สอสามคนเนี่ยตอไม่เหมือนกัน ท, ทั้งที่ทำอย่างเดียวกันก่ออิฐเหมือนกันแต่คนต้งบอกว่าผมก่ออิฐคนที่สองบอกผมก่อกาแพงคนที่3าบอกผมกำลังสร้างวทั้งสามคนก่ออิฐเหมือนกันแต่ว่าท่าทีต่อการทางานไม่เหมือนกันคนแรกก่ออิฐ ก็ทำแบบเหนื่อยนายคนที่สองก่อกำแพงในใจก็คงคิดว่าทําเป็นอาชีพก็รอ ว, ว่าเมื่อไหร่ะจะหมดเวลาจะเลิกงานแต่คนที่สมเนี่ยถึงแม้ทํางานเหนื่อยแต่ก็ทํางานย่งมีความสุขเพราะเขาไม่ได้คิดว่าเขากำลังก่ออีกเขาไม่ได้คิดว่าเขากำลังก่อกําแพงแต่เขากําลังสร้างวัดเมื่อเขาคิดว่าเขากำลังสร้างวัดเนี่ยวัดเนี่ยใน สำนึกของคนไทยมันเป็นสิ่งที่มีค่าเป็น ส, สิ่งที่ประเสริฐเป็นเรื่องของส่วนรวม <c oughs> เขาไม่รู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเป็นแค่อาชีพแต่ว่าเขากำลังสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อพระศาสนาเขากำลังทาบุญทาบุญศล์เขาก็เลยมีความกระฉับกระเฉงถามว่าเขาเหนื่อยไหมเขาเหนื่อยแต่เขามีความสุข สมคนทำงานอย่างเดียวกันแต่ท่าทีความกระตือรือร้นต่างกันเพราะเขามองเห็นงานเห็นคุณค่าของงานต่างกันสองคนแรกไม่เห็นคุณค่าของงานเท่าไหร่เลยยังมากก็เชื่อเป็นแค่อาชีพแต่คนที่สามเขามองไกลเขามองว่าสิ่งที่เขาทำกำลังเป็นประโยชนต่อส่วนรวมเป็นประยน์ต่ศาสนาเขาก็รู้สึกว่าเขามีคุณค่าเขาก็เลยมีความสุขคนที่สามนี่คือคนที่มีฉันทะ นะและตามด้วยวิริยะความเพียรเขารักที่จะทําเขาอาจจะไม่สนใจว่าเมื่อไหร่จะเลิกด้วยซ้ําในเลิกงานเขาก็ยังทําต่อเพราะเขารักที่จะทําเนื่องจากเห็นคุณค่าของมันอนี่คืออ น, นิสงค์ของฉันทะศแลการทำงานเพื่สังคมเนี่ยถ้าเราทำเพราะคิดว่าเป็นแค่วิชาชีพเนี่ยมันจ ะ, จะไม่ทําให้เราเกิดความสุขหรือเกิดความกระตือรือร้น แต่ทันทีทันใดที่เราสึกว่าเรากำลังทำเพื่อเพื่อประเทศชาติเพื่อส่วนรวมเพื่อช่วยให้ชาวลุม้าหนาที่ลำบากยากแค้นเขาได้มีชีวิตที่ผาสุขคนเจ็บคนป่วยเขาได้มีความหวังในชีวิตเราก็จะรู้สึกว่าเกิดความขยันขันแข็งขึ้นมาคนขับรถแอมบูเล็ต หรือแบ้กระทั่งคนที่ทำงานในฝ่ายฝ่ายฝ่ายบัญชีถ้าคนารู้สึกว่าเขากรลังมีส่วนร่วมในการที่จะช่วยสร้างความสุขให้กับเพื่อนมนุษย์เขาก็จะทำงานอย่างกระตือรือร้นไม่จะเป็นว่าจะต้องเป็นคนที่อยู่ใกล้คนไข้ถึงจะรู้สึกว่าตัวองมีคุณค่าตรงนั้นแม้จะอยู่ไกลขาก็รู้สึกว่า เขามีคุณค่าเขาทาสิ่งที่มีคุณค่าถ้าเขาสามารถจะมองเห็นงานของเขาเนี่ยในภาพกว้างหรือเธอเรียกว่ามีวิสัยทัศน์เมื่อคนที่ก่ออีกนะแต่เขาส่วนเนี่ยสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันคือการสร้างวัดตรงนี้เนี่ยจะมาคิดว่าเราทํางานเนี่ยเราต้องมองให้ไกลว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีคุณค่าอย่างไร มันมีประโยชน์ที่เหนือพ้นจากตัวเราออกไปหรือเปล่าคนเราถ้าคิดถึงแต่ตัวเองเนี่ยมันจะแค่ก็จะนึกว่าจะทำอะไรก็จะถามแต่เียงว่าทำแล้วฉันจะได้อะไรถ้าทำแล้วฉันไม่ได้อะไรฉันก็ไม่ทำแต่ถ้าเราไม่ได้นึกแบบนั้นเราคิดถึงเพื่อนมนุษย์เราากได้เขามีความสุขเราก็จะมีความกระตือรือร้นมากขึ้นนะฮะ ความเพียรมันจะตามมาแล้วเมื่อมีความเพียรแล้วก็จะมีความจดจ่อใส่ใจมากขึ้นเพราะเราเห็นว่าสิ่งที่เราทํามันมีคุณค่าความจดจ่อใส่ใจก็ทําให้มีสมาธิทําให้เกิดความเพลินนะอันนี้ก็เป็นก็ทําให้เป็นเกิดความสุขได้อย่างหนึ่งความสุขจากการทํางานนั้นมันส่วนเกิดจากการที่เราทําแล้วเรารู้สึกเพลินนะ ก็เราเคยรู้สึกเพลินไหมฮะเวลาทำอะไรสักอย่างนี้เนี่ยเมื่อเราเพลินแล้วเนี่ยเราก็อยากจะทำไปเรื่อยๆนะที่ตะาพูดมาเนี่ยนะมันเป็นหลักในการทำงานให้สำเร็จที่เราเลือกอิทธิบาทอิทธิบาทมี4ประการเริ่มต้นด้วยฉันทะต่อมาก็วิริยะความเพียรและต่อมาก็จิตตาคือความใส่ใจ เมื่อมีความใส่ใจแล้วเห็นประโยชน์ของงานอยากจะทำเพื่อส่วนรวมเราก็อยากจะทำให้มันดีที่สุดเมื่ออยากจะทำให้ดีที่สุดเราก็จะมาคอยใคร่ควรวญทบทวนตรวจสอบดูว่างานที่เราทำนั้นเป็นอย่างไรมันมีอะไรที่ต้องแก้ไขไหมมันมีอะไรที่มีจุดบกพร่องที่เราควรจะปรับปรุงให้ดีขึ้นไหม จิตใจเนี่ยอยากจะปรับปรุงงานให้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะรู้ว่ามันมีจุดอ่อนตรงไหนความรู้สึกแบบนี้หรือท่าทีแบบนี้มันทำให้เกิดทาให้ใจี้เปิดเปิดใจรับฟังคำวิจารณ์คนทำงานเนี่ยโดยนิสัยเนี่ยจะไม่ชอบคำวิจารณ์ และจะไม่ชอบมากขึ้นถ้าเราทำเพื่อตัวเราเองเพราะคำวิจารณ์เนี่ยมันจะไปกระทบกระแทกกับอัตตามันทำให้เราสึกเสียหน้ามันทำให้เราสึกว่าเราไม่เก่งแต่นี่ก็เป็นการเป็นควารรมรู้สึกของคนที่ทาเพื่อตัวเองทำด้วยแรงขับของตัณหา แต่ถ้าคนทำด้วยแรงผลางดันของฉันทะความชอบความรักในงานเขาจะมีใจายรู้ไม่ใช่ายทำอย่างเดียวนะฮะายทำอันนี้ก็อันหนึง่งใยรู้รู้เพื่ออะไรรู้เพื่อปรปับปรุงแก้ไขางานให้ดีขึ้นเขาจะเอางานเนี่ยสำคัญกับตัวเองเพราะงานนั้นเป็นเปี่ยร์ส่วนรวม เพราะฉะนั้นอัตราตัวตนก็จะเป็นเรื่องเล็กแล้วคนที่เอาอัตราตัวตนเป็นเรื่องใหญ่เนี่ยจะทนคําวิจารณ์ไม่ได้แต่คนที่เอาอัตราเอางานใหญ่กว่าสําคัญกว่าตัวเองเนี่ยอัตราก็จะเล็กเมื่ออัตาเล็กก็พร้อมจะฟังคําวิจารณได้ง่ายขึ้นได้มากขึ้นเมื่อคนเราพร้อมที่จะฟังคําวิจารณ ได้มากขึ้นเนี่ยอาการที่หนึ่งคือเราจะมีความทุกข์น้อยลงแล้วก็เสนใหญ่มีความทุกข์กับการทํางานเพราะว่าเจอคําวิจารณ์หรือถึงไม่เจอคําวิจารณ์แค่คามไม่ชมไม่สารเสวนี่ก็ทุกข์แล้วนะแค่ไม่ชมนี่ก็ทุกข์แล้วนะยิ่งถูกตําหนิถูกวิจารณ์ก็ยิ่งทุกข์เข้าไปใหญ่เพราะเขาเอาตัวตนเป็นที่ตั้งไม่ได้เอาส่วนรวมไม่ได้เอางานเป็นที่ตั้ง แต่ถ้าเรางานหรือเอาส่วนรวไปที่ตั้งเนี้ยตัวตนเล็กลงไม่ใช่ไม่มียังมีอยู่แต่ว่าเราจะทุกน้อยลงเพราะว่าเมื่อเราเมื่อมีใครวิจารเราเราจะไม่โมแต่คิดว่าทําไมเขาว่ากูทําไมเขาว่ากูแต่เราจะคิดอีกมุมหนึ่งว่าเอ๊ที่เขาพูดมานี้มันถูกไหมที่เขาพูดมาไม่มีประโยชน์ไหมมันต่างกันเลยนะเขาว่ากูเขาว่ากูเนี่ยยิ่งคิดมันก็ยิ่ง เจ็บปวดยิ่งเครียดแค้นพรามันกระทบกระแทัตัวกูแต่ถ้าคิดอีกมุมหนึ่งว่าเรื่อที่เขาพูดมานี้เนี่ยจริงไหมถูกต้องไหมก็คือเอาประโยชน์เอาความถูกต้องเป็นที่ตั้งไม่ได้เอาตัวกูเป็นที่ตั้งคนที่คิดแบบนี้เนี่ยเขาจะทุกน้อยลงตรงเัินข้ามเขากลับจะได้ประโยชน์จากคำวิจารณ์มากขึ้นโอ้ที่เขาพูดมานี่มันมันน่าคิดนะ พอพูดมามันถูกสัก้าซก็ถือว่าก็ยังมีประโยชน์อยู่คนที่คิดแบบนี้เนี่ยจะทุกน้อยลงเพราะว่าอัตราจะถูกกระทบกระแทกน้อยเพราะไม่ได้เอ า, เ อ, าอัตราเป็นตัวตั้งแต่เอาประโยชน์ส่วนรวม เ, เอาประโยชน์ของงานเป็นตัวตั้งเพราะฉะนั้นคำวิจารณ์ก็เป็นของดีก็เอามาปรปับปรุงแก้ไข อันที่หนึ่งเนี่ยเรามีความทุกข์น้อยลงอันที่สองงานมีโอกาสที่จะได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นอันที่สาการทะเลาะบบาแวงกับคนร่วม ง, งานมีน้อยลงเพราะส่วนใหญ่การทะเลาะบบาแวงกันเกิดขึ้นเพราะว่าถูกพี่พ่วิจารณ์ในหมู่เพื่อนร่วม ง, งานบางทีเจ้าหนายก็วิจารบางทีลูกน้องก็ว่านั้นในหลายหน่วยงานเนี่ยมองหน้ากันไม่ติดก็เพราะว่า ทนฟังคำวิจารไม่ได้และที่ทนฟังคำวิจารไม่ได้ก็เพราะว่าท่าทีในการทํางานเนี่ยยังไม่ฉลาดพอก็คือเอาตัว ต, วตนเป็นที่ตั้งไม่ได้เอางานหรือส่วนรวมไปที่ตั้งแต่ถ้าเราเอางานหรือส่วนรวมเป็ที่ตั้งเนี่ยเราจะโกรธเปลี่ยนกันน้อยลงเพราะคำวิจารณ์เราจะรับฟังกันได้มากขึ้นเราจะมองหน้ากันได้มากขึ้น แล้ว ม, มันก็มีประโยชน์สามประการนะที่เพียงแค่เรามีใจที่ใฝ่รู้มันตรวจสอบทบทวนการงานตรงนี้ทางวิทาศาสตรเรียกว่าวิมังสาวิมังสาเป็นท่าทีของปัญญาต่อมาพูดมาเนี่ยฉันทะวิรยิยะกิตตะวิมังสาเนี่ยมันเป็นมันเป็นสูตรแห่งการทำงานอย่างได้ผล และคนทำก็มีความสุขด้วยแต่ว่าความหมายจริงๆเนี่ยเขาจะได้เรื่องความสำเร็จของงานอิติอิธิแปลว่าสำเร็จนะบาทก็คือเส้นทางหรือขั้นตอนในการทำงานเพื่อสังคมเนี่ยถ้าเรามีอิธิบาทสนะีเริ่มต้นจากการเราที่เราเห็นคุณค่าของงานเราก็จะรักในงาน เดี๋เพราะจะเป็นคุณค่าที่เป็นเรื่องของส่วนรวมบางทีคุณค่าของงานที่ทำให้เราลักในงานได้เนี่ยอาจจะเป็นคุณค่าที่เป็นเรื่องของการพัฒนาตนก็ได้ทำให้รู้สึกว่าชีวิตมีคุณค่าก็ได้คนที่เห็นว่า ง, งานนี้มีเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณพัฒนาจิตใจพัฒนาตนเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกมีสัรท่าในงาน อัตมาเคยไ ป, ไป เ, เมื่อ3ามปีก่อนเคยไปไปดูงานที่ประเทศไต้หวันไปดูงานของบุริษที่ชิวจีหลายท่านเมื่อเช้านี้ก็ได้ทราบว่าได้ไปมาเมื่อวานกลับมาเมื่อวานนี้เองคราวนึงอัตมาก็ได้ไปไปดูโรงงานที่เรียกว่ารีไซเคิลเอาของเก่าเนี่ย เอาขยะเนี่ยมามามาทำมาเอาส่วนที่เป็นประโยชน์เนี่ยกลับมาใช้ใหม่รียนะูสบ้างรีไซเคิลบ้างเพราะมีกิจกรรมแบบนี้เป็นโรงงานแบบนี้เนี่ยถึง5 0 0พันแห่งถืคจนโีนี้เขาใหญ่โตมากนะมีเฉพาะเรื่องโรงงานเนี่ยรีไซเคิลอยู่ันแห่งอาสาสมัครคนทำงานที่เป็นอาสาสมัครและส่วนใหญ่เป็นคนแก่ คนแก่เหล่านี้เนี่ยไม่ใช่พวกว่ายากจนนะบางคนก็เคยเป็นผู้จัดการบางคนก็อาจจะเป็นวิศวกรแต่ว่าพออายุมา ก, กเกษียณลูกๆ ก, ก็ให้อยู่บ้านคนแก่ในในเมืองใหญ่เนี่ยใตย้ไต้หวันหรือเมืองไทยเนี่ยโดยเฉพาะในเมืองเนี่ยจะรู้สว่ไม่ค่อยมีคุณค่าเท่าไหร่เพราะว่าไม่เคยได้ทําอะไรไม่เหมือนคนแก่ในชนําบอย่างเลี้ยงหลานแต่คนแก่สมัยนี้ไม่ค่อยได้เลี้ยงหลานแล้ว พ่อมีลูกกันน้อยแล้วก็บางทีก็แยกบ้านกันระหว่างลูกกับพ่อระหว่างพ่อแม่กับตายายก็อยู่แบบง่อยๆแต่ว่าพอได้มาทําเป็นอาสาสมัครให้กับชูจี้รู้สึกว่าทําเพียงกับส่วนรวมเป็นการทําบุญให้กับศาสนาเพราะว่าเขาเอารายได้ของกิจกรรมนี้เนี่ยไปไปส่งเสริมทําสถานีวิทยุโทรทรัศน์เพื่อส่งเสริมคุณธรรม ก็เป็นงานบุญอย่างหนึ่งมีคนแก่คนแก่พูดนะครับว่าเมื่อแกได้มาทำเป็นอาสาสมัครในโรงงานนี้เนี่ยนั่งนั่งกับเก้าอี้เตี้ยๆเนี่ยซึ่งดูมันไม่ค่อยมีคุณค่าเลยฉีกกระดาษออกมากเแ็นแผนๆดูเหมือนงานที่ไม่ค่อยมีคุณค่าเป็นงานจับกันและคนเหล่านี้เนี่ยเคยมีเคยมีอาชีพที่ ที่เป็นผู้จัด ก, การบ้างเป็นวิศวกรนั่ง น, นะแต่เขามาทํางานอย่างนี้เนี่ยเขาก็มีความสุขนะมีคนนึงบอกผมเนี่ยคือขยะคืนชีพเข้าใจไหมฮะเมื่อผมมาทํางานชิ้นนี้เนี่ยแต่ก่อนผมมาทำก่อนผมมาทํางานชิ้นนี่ผมคือขยะคือไม่มีคุณค่าคนแก่เนี้ยเมื่อผมมาทํางานอาสาสมัครมาช่วยเหลือส่วนรวมแม้ว่ามานั่ง นั่งฉีด ก, กระดาษนั่งเอาเอาขวดเอาฝาถูกออกดูเหมือนงานไม่มีคุณค่าแต่กระบอกผมเนี่ยคือขยะคืนชีพเพราะว่าผมเริ่มสูงมีคุณค่าขึ้นมาแต่ก่อนมัเป็นขยะแต่ตอนที่ผมคืนชีพแล้วสิ่งที่ก็าทำเนี่ยเขาไม่ได้เพียงแค่ไม่ได้เพียงแค่ทําให้ขยะในมือมีประโยชน์กลับมาคืนชีพขึ้นมาใหม่แต่ว่ามันยังช่วยฟื้นจิตใจเขาทำไมเขาสุดท้ายเขาเป็นขยะคืนชีพ อ, อันนี้ก็เป็น เป็นคุณค่าผล ง, งานที่ทําให้เกิดความรักในงานแล้วคนเหล่านี้ไม่มีค่าจ้างแล้วมาทุกวันมาทุกวันนะฮจจะแต่ไม่ได้มาทั้งวันบางทีอาจจะมาครึ่งวันเช้าบางครึ่งวันบ่ายบ้างแต่เขามาทั้งที่โรงงานก็ไม่ได้เป็นห้องแอร์อะไรนะนั่งแบกกระดิ่งก็มีแล้วเขก็มีความสุขเพราะมันมีคุณค่ามันทำให้เขาสุขก็มีคุณค่าขึ้นมาไม่มีเงินเดือนนะไม่มีชื่อเสียงไม่มีกติยศ อาแต่มีความภูมิใจแล้วส่วนมีคุณค่าตรงนี้ก็เป็นงานเพื่อส่วนรวมที่มันสามารถจะยกระดับจิตใจให้รู้สึกภูมิใจและใบบางกรณ์มันช่วยเยียวยาจิตใจที่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าขึ้นมาได้ถ้าคนเนี่ยเห็นคุณค่าของงานแบบนี้เนี่ย ก็จะเกิดฉันทะและความเกียงก็จะมามันจะไม่ใช่เป็นเรื่องของอาชีพอีกต่อไปมีเด็กคนหนึ่งนะเป็นวัยรุ่นเป็นนักศึกษาวันวันหนึ่งก็ เรียนหนังสืออย่างแกนๆรอว่าเมื่อไหร่จะเลิกเรียนจะได้ไปเที่ยวห้าปิดเทอมก็เที่ยวห้านะพอเอิญซัมเมอร์เมื่อปีที่แล้วเนี่ยเพื่อนๆไปมือนนอกกันแกเลยไม่รู้จะทำอะไรมีคนชวนไปไปนวดเด็กไปดูแลเด็กอ่อนที่บ้านปากเรด็ดบ้านปากเก็ดนี่เเด็กถูกทิ้งเยอะ เดกถูกทิ้งเยอะส่วนใหญ่จะทิ้งประมาณแต่จะถูกทิ้งเนี่ยมือไทยเด็กจะถูกทิ้งประมาณเดือนเดือนพฤศจิกาเดือนพฤศจิกาเนี่ยจะจ ะ, จะทิ้งเยอะทาบไมารับทำไมถึงเดือนนี้ถึงถูกทิ้งเยอะเพราะว่ามันเป็น9เดือนหลังจากวันวาเลนไทน์อีกทีนี้ก็คือประมาณเดือนกรกฎา สิงหาพาวามัน9เดือนหลังจากวันลอยกระทงพวกคนที่ทํางานเรื่องเด็กกำไพยย่ารู้เลย2เดือนนี้จะมีเด็กถูกทิ้งเยอะก็มาอยู่ที่เนี่ยจำนวนมาอยู่ที่เนดิบดูที่เด็กบ้าเด็กปากเก็ดก็มีพี่เลี้ยงคอยดูแลแต่ว่าพี่เลี้ยงไม่พอก็ต้องการอาสาสมัครแล้วเด็กวัยรุ่นคนนี้แกก็มีคนช่วยให้มันนวดเด็กอาตมาก็เกี่ยวข้องโครงการอยู่ด้วยนะเครือข่ายพฤติกรรมมาทําเรื่องจิตอาสาก็มามาห า, าศาสตรมาช่วยนวดเด็ก แกก็มานะมาช่วยเป็นแต่แกไม่ได้นวดเด็กนะแกมาเป็นเพื่อนเด็กเด็กเจ็ดขวเป็นเพื่อนเล่นเนีเด็กนะเพราะเด็กพวกนี้ไม่มีเพื่อนไม่มีพี่เลี้ยงแกทำมาทําทุกอาทิตย์อาทิตย์ละสองสองวันไม่ทำอะไรเล่นกับเด็กอย่างเดียวเด็กพวกนี้ไม่มีไม่มีใครมาใส่ใจพอมีพอมีพิพออากษาสมัครมาเด็กก็วิ่งเข้ามาหาโผเข้ามาหาแกประทับใจมากหลังจากที่แกทำทั้งสามเดือนก็บอกว่าเนี่ย แกพัฒาชีวิตผมสมบูรณ์ได้เพรเด็กเจดขวบสมบูรณ์เรื่องอะไรฮะสมบูรณ์เพราะว่าคือแกเป็นเด็กกาพร้าที่ที่ไม่กำพร้าหรอกคือแกไม่มีพ่อไม่มีแม่เพราะพ่อแม่แยกทางกันแกก็อยู่กับลุงเป็นคนที่ค่อนข้างขาดความรักแล้วก็พอรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่มีความรักที่จะให้แกใครได้แล้วก็ไม่รู้สึกภูมิใจในตัวเองมีชิตเหมือนกันล่องลอยเรียนหนังสือไปวันวันหนึ่ง แล้วก็เที่ยวห้างแล้วกลับบ้านตอนค่ำๆเจอหน้าลุงก็ไม่ค่อยได้คุยอะไรกันห่างเหินรู้สึกว่าง่างเ ป, ปล่าชีวิตแต่พอมาพอมาทําเป็นอาสาสมัครเนี่ยไม่ได้เที่ยวห้างนะครับมาเป็นอาสาสมัครกลับว่าชีพมันได้รับการเติมเต็มก็ถึงบอชีพผมสมบูรณ์ในพวกเด็กๆพวกเพราะผมรู้สึกว่าผมเนี่ยสามารถจะรักคนได้ผมสามารถที่จะเพื่อเฟื่อคนได้ ผมเคยคิดว่าผมเนี่ยเป็นคนที่แข็งกระด้างแต่พอมาทํางานนี่แนละ้วผมรู้ผมสามารถจะอ่อนโยนกับผู้คนได้มากขึ้นแล้วแกก็เลยมาก็เลยมาเป็นกิจวิทยาอันนี้ก็เป็นเป็นคุณค่าของงานที่มันมีผลต่อจิตใจควบคู่ไปออกับการช่วยเหลือส่วนรวมมันจะไปด้วยกันเสมอนะฮะถ้าเราทําด้วยด้วยเจตนาดีเนี่ยด้วยฉันทานเนี่ย อันที่หนเนี่ยมันจะเป็นปรีโยชต่อตส่วนรวมปเป็ประยชต่อผู้อื่นสองมันจะทําให้เราเนี่ยมีความรสุขมีความอิ่มเองมีความรู้สึกภาคภูมิใจหรืออย่างาน้อยเนี่ยก็มีความเพลิดเพลินและสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นตัวช่วยทําให้การทํางานเพื่อส่วนรวมเนี่ยเป็นไปได้แต่ตัวอย่างที่อาจารมาพูดมานี้เนี่ยเป็นอาสาสมัครไม่เหมือนพวกเราที่พวกที่ทํางานเนี่ย ค่นท่างจะเรียกว่าทําทุกวันเนื่องจากเป็นอาชีพจานถึงสุกเช้าถึงเย็นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่เป็นมันไม่ใช่เป็นสิ่งทีออ่อาจจะมีบางอย่างที่แตกต่างจากอาสาสมัครได้นะและโดยเพพาะพวกเราที่ทํา ง, งานเนี่ยเป็นข้าราชการนี้เนี่ยนะก็จะมีเงื่อนขไขหลายๆอย่างที่ อาจจะทำให้การทำงานเพื่อส่วนรวมในบทบาทหน้าที่นี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะวันหนึ่งนะต้องเจอกับสิ่งยั่วยุ2ต้องพบกับสิ่งยั่วยวนสิ่งยั่วยวนคืออะไรสิ่งยั่วยวนคือว่าสิ่งที่น่าพึงพอใจที่ทำให้เราหลงไหล การทำงานเพื่อสังคมเนี่ยมันแตกต่างจากการทำงานในเชิงธุรกิจเพราะในเชิงธุรกิจเนี่ยมันจะมีสิ่งยั่วยุที่ชวในให้หลงไหลหรือว่าเป็นเครื่องตอบแทนที่ทำให้เราเนี่ยอยากจะทำงานอย่างนั้นเช่นเงินเช่นเงินเดือนราบสักการะหรือว่าตำแหน่ง การทำานเสังคมเนี่ยถ้าเราทางา น, นจริงๆแล้วเนี่ยมันจะขาดสิ่งนี้ไปนะมันจะขาดผลตอบแทนที่ชาวโลกเขาชื่นชมสรรเสริญเช่นเงินเดือนนะแต่เพราะขาดนั่นแหละมันก็เลยกลายเป็นปสิ่งด้วยยวนเพราะว่าเมื่อมีคนเข้ามาเสนอให้ เราเป็นผู้เป็นข้าราชการบางครั้งมีอำนาจในการตัดสินใจก็จะมีสิ่งยิ่งเรีนหน้ามากเท่าไหร่ก็จะมีสิ่งดัวยวนเยอ ะ, อะสิ่งดัวยวนในรูปของผลตอบแทนที่เป็นเงินทองหรือบางครั้งจะเป็นเรื่องของตำแหน่งที่ทําให้เราได้สามารถจะทําเพื่อส่วนรวมได้อย่างเป็นที่ นอกจากสิ่งยั่วยุแล้วก็มีสิ่งยั่วยุยัวยุให้โกรธยั่วยยุให้ขุนเคืองใจเพราะว่าการทํางานเป็นสังคมเนี่ยมันก็ต้องทวนกระแสมันก็ต้องขัดผลประโยชน์ผลประโยชน์ของการเมืองผลประโยชน์ของนายทุนในท้องถิ่นหรือบม้กระทั่งผลประโยชน์จากในแวดวงวงการด้วยกันก็จะทําให้เกิด ผู้คนที่เขาวิพากษ์วิจาร์จะต้องเสียสียงวิพากษ์วิจาร์เจอการกันแกล้งนะเจออุปสรรคมากมายการทำงานเป็สังคมเนี่ยจะทำงานได้อย่างดีเนี่ยมันต้องสามารถจะทนต่อสิ่งยั่วยุและทานสิ่งยั่วยวนได้ในงั้นก็ไม่สามารถจะทำได้นาน แล้วเราก็พบว่าคนบ่อยครั้งเนี่ยคนทำ ง, งานเพื่อสังคมเนี่ยไม่สามารถจะทนต่อสิ่งยัยว่วยุนและไม่สามารถจะทานต่อสิ่งยื่วยุดได้ <c oughs> ก็จะเกิดปัญหาอยู่สองสอย่างอันแรกคือว่าก็ต้องละทิ้งละทิ้งการทำ ง, งานเพื่อส่วนรวมไปละทิ้งในความหมายที่ว่า แทนที่จะคิดถึงผลประโยชน์ส่วนรวมไปที่ตั้งก็เอาผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่ตั้งเพราะว่าสิ่งด้วยวนั้นะมันมันหอมผวนมันมีสเสน่ห์อันนี้ก็ทำให้เกิดปัญหาเรื่องคอร์รัปชันขึ้นมาเป็นจำนวนมากเพราะว่าไม่สามารถจะทนต่อสิ่งด้วยวนได้เรื่องคอมมิชชั่นเรื่องอะไรต่างๆก็เป็นก็เป็นปัญหาที่เรา พูดกันมานานก็เป็นสิ่งที่คนทา ง, งานผู้สังคมหรือว่าบทบาทหน้าที่ในการบำเพ็ญผิะโยชนส่วนรวมเนี่ยจะต้องพบอยู่เป็นประจำแล้วจำนวนมากก็ก็ยอมแพ้ก็แทนที่จะใช้อำนาจหรือตำแหน่งเพื่อประโยชน์ส่วนรวมก็ ใช้เพื่อปรียวของตัวเองหรือพวกพ้องอันนี้เพราะว่าไม่สามารถจะทนสิ่งยั่วยุได้หรือมิฉะนนั้นก็อยู่ในสภาวะจิตสลายหรือว่าท้อแท้ท้อถอยเพราะว่าเจอแรงเสียดทาน เจอสิ่งยัออย่วยุที่มันทำให้เครียดทำให้โกรธและที่สุดก็ทำให้จิตสลายภาษาฝรั่งระเบินเอาแม้ส่วนใหญ่ในคนเทยในสังคมเนี่ยจะจำนวนไม่น้อยเนียเน่ยจะตกอยู่ในสภาวะ2ประการนี้ก็คือว่าทนต่อสิ่งยั่วยุไม่ได้ก็เลยถูกกลืนหรือว่าต้องตกเข้าไปอยู่ในกระแสของการคอรัปชั่น หรือว่าการทำเพื่อประโยชน์ตัวเองหรือมิฉะนั้นก็จะต้องท้อแท้หมดหวังหมดกำลังใจและจะยังรักษาความบริสุทธิ์สุจริตเอาไว้ได้แต่ว่าก็ไม่มีเรื่องไม่มีแรงอันนี้ก็เกิดขึ้นไม่ใเฉพาะในแวดวงราช ก, การคนทางานประสางคนในวงการ NGO ในหมู่นักการเมือง ก็เป็นอย่างนี้นะกันมากที น, นี้คำถามคื อ, เอ่เราจะทำยังไงเราจะทำให้สังคมโดยที่เราไม่ไม่ไปตกอยู่ในกับดักหรือว่าถล่มเข้าไปอยู่ในในทางทั้งสองทางนี้ได้หรือเปล่าอัตมาช่วททำได้แต่ถ้าเราจะทำได้เราต้องมี สิ่งหนึ่งที่จะช่วยหล่อเลี้ยงจิตใจของเราสิ่งนั้นอาตมาเรียกว่าความสุขความสุขแต่ไม่ใช่เป็นความสุขจากวัตถุไม่ใช่ความสุขจากการนีเกยียรติยศชื่อเสียงไม่ใช่ความสุขจากสารเสริญอันนี้เราเรียกว่าสุขจากโลกธรรมสุขจากโลกธรรมนี่เนี่ยมันมันมันไม่ใช่เป็นสุขที่ประเสริฐเพราะว่า อันที่1มันเสื่อมได้ง่ายโลกธรรมเนี่ยโลกธรรม8มีอยู่2มีอยู่คู่ได้ลาบได้ยศได้สรรเสริญแล้วก็สุขแบบโลกโลกแต่มันจะมันจะมักจะมาคู่กับอีกอีกอีกคู่หนึ่งก็คือเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาแล้วก็ความทุกข์ ถ้าเราเอาความสุขของเราไปผูกติดไว้กับลาบดัสสารเสรินเนี่ยเราก็จะมีชีวิตขึ้นขึ้นลงๆและอย่างเทตามาว่าในสุดเราก็ไม่สามารถจะทำงานเพื่อส่วนรวมตามอุดมคติของเราได้เพราะต้องพ่ายแพ้ต่ออำนาจของอสิ่งดว่วยวนทำให้เราหันมา ทำทุกอย่างเพื่อตัวเองเราจะสามารถมั่นคงในการทำงานเพื่อส่วนรวมและมีความสุขก็เพราะว่าเราสามารถที่จะไม่พึ่งพิงความสุขจากโลกธรรมมนุษย์เราเนี่ยต้องการความสุขนะฮะพุทธศาสนาไม่ปฏิเสธ พระทีเจ้ากลับว่าคนเราเนี่ยหนึ่งไม่ควรเอาทุกข์มาทับถมตนไม่ควรหาทุกข์มาใส่ตัวในในความหมายที่ว่ า, าทุกข์กายอย่างเดียวก็พอแล้วอย่าทุกข์ใจด้วยเมื่อป่วยก็ป่วยอย่างเดียวอย่าป่วยใจด้วยของหายก็ให้มันหายแต่ของแต่อย่าให้ใจหายด้วยเหนื่อยกายก็อย่าเหนื่อยใจแล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยเอาทุกข์มาทับถมตนโดยไม่จําเป็น เหตการณผ่านไปแล้วเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีก็ยังออกเก็บมาคิดจนกินไม่ได้นอนไม่หลับนี่เราเอาทุกมาทับถมตรเป็นตัวอย่างหนึ่งนะที่สองเนี่ยพระเจ้าตรัสว่าอย่าสละรูปติเสธความสุขที่ได้มาโดยชอบทำความสุขที่ได้มาโดยชอบทำนี่เนี่ยไม่ได้หมายถึงความสุขจากทรัพย์สมบัติจากชื่อเสียงกิติยศพุทธศรราสนาไม่ปฏิเสธแต่ว่า จริงๆแล้วพอเราสามารถจะมีความสุขที่ประนีประเสริฐตันั้นได้คือความสุขจาก จ, จิตใจมนุษย์เราต้องการความสุขถ้าเราไม่สามารถจะพบความสุขทางใจได้เราก็ไปหาไปพึ่งพาความสุขทางวัตถุความสุขจากสิ่งนอกตัวเช่นความสุขจากลาบยศสารเสริญแต่ถ้าเราสามารถจะพบความสุขภายในความสุขที่ประเสริฐประนีอย่างเทตามาว่าเราจะเป็นอิสระ จากความจากเรื่องโลกธรรมมากขึ้นเราจะไม่แคร์มก็ได้ถึงแม้เราจะไม่รวยถึงแม้จะไม่มีชื่อเสียงมากถึงแม้จะไม่มีตำแหน่งมากแต่เราก็มีความสุขอิ่มเอิบภาคภูมิใจเพราะแะไรเพราะเรามีความสุขภายในความสุขภายในนี่สำคัญความสุขภายในมาจากไหนมันก็มาจากหลายอย่าง อย่างหยาบๆอย่างง่ายๆเลยคือความสุขจากงานถ้าเราทำแล้วมีความสุขกับงานอย่างที่คนอาสาสมัครคนแก่ชาวไต้หวันที่ก็บอกว่ า, วาเขาคือขยะพื้นชีพเขาก็มีความสุขกับงานเราทำงนนานแล้วก็มีความสุขวันไหนไม่ได้ไปไปไปโรงงานนี้เขาก็จะรู้สึกว่ามันขาดอะไรไปบางอย่างเา กาทำงานการทำงานก็เป็นที่มาแห่งความสุขได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องมีรางวัลที่เป็นวัตถุเช่นราบยอดสารสรินเป็นเครื่องตอบแทนแต่เพียงแค่ได้ทำเนี่ยก็รู้สึกมีความสุขภายในเป็นความสุขจากของความ ช, วชีวิตมีคุณค่ามีประโยชน์ภาคภูมิใจอันนี้เราเป็นความสุขภายในนะแต่เกิดจากการทํางานด้วย แะต้องเป็นการทํางานที่ดีซื่อ ส, สัตยเป็นงานที่สุจริตและเป็นงานที่มีประโยชน์นะความสุขจากการให้การให้ก็เป็นที่มาแห่งความสุขนะการให้เป็นที่มาแห่งความสุขมีคนหนึ่งเนะี่ยก็ไปตัวอย่างหนึ่งที่ ที่ไปไปไปนวดเด็กคราวนี้คนที่แกไปนวดเด็กเลยนะเด็กตัวเล็กๆประมาณสาสี่เดือนถ้าหเดือนเนี่ยเดี๋ยวพรุนี้เนี่ยที่บ้านปักเป็ดเนี่ยไม่มีคนไม่มีคนนวดไม่ไม่มีคนอุ้มให้เด๋ยกก็นอนอย่างเดียวพอนอนนานๆนนเนี่ยร่างกายก็ไม่ค่อยดีก็ต้องมีอาสาสมัครมาช่วยนวดสามขวบสี่ขวบก็ต้องนวดแล้วนะเพราะว่านอนตลอดเลยเนี่ยไม่มีใครมาอุ้มให้ก็มีคนมึงที่แกก็ไปนวดเด็ ก, ท, กทุกทุกอาทิตย์นะฮะ อาทิตย์ละสองครั้งแกเป็นไมเกรนนะปกติแกเป็ น, ปปนไมเกรนแกต้องกินยาทุกวันแต่หลังจากที่แกไปนวดเด็กสามสี่อาทิตย์เนี่ยแกเพิ่งนึกได้ว่าแกไม่ได้กินยาเลยในช่วงที่ไปนวดเด็กทำไมถึงไม่กินยาเพราะมันไม่หายมันไม่ปวดไม่รู้สึกปวดเลยช่วงที่ไปนวดเด็กก็เลยลืมกินยา แก้วกก็โพโอ้ที่แรกเรไปให้เด็กฮะเราไปให้เด็กไปให้ความสุขกับเด็กแต่ที่จริงแล้วเด็กต่งงางหากให้ความสุขกับเราผู้ให้ความสุขย่อมได้รับความสุขอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หล่อเลืยงใจเราได้เมื่อเราทำงานเพื่อส่วนรวมเนี่ยเราเป็นผู้ให้เราก็ทำให้เรามีความสุขความสุขยังได้มาจากการทำสมาธิภาวนา ถ้าว่าเรารู้จักําสมาธิภาวนาความสุขก็เป็นเรื่องง่ายนะเพียงแค่เราหายใจเข้าหายใจออกให้เป็นแทนที่จะหายใจลดทิ้งไปเปล่าๆเราก็มีความสุขได้เพราะว่าลมที่เราหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยมันเป็นลมวิเศษนะฮะมันเป็นลมวิเศษมันไม่ใช่แค่อมันไม่ใช่แค่เอาออกซิเจนไปนเลี้ยงร่างกายเท่านั้น แต่ลมพิเศษนี่สามารถจะเอาความสงบไปหล่อเลี้ยงจิตใจเราได้เพียงแต่เราใส่ใจกับลมนั้นถ้าเราไม่ใส่ใจกับลมนั้นปล่อยให้มันทิ้งทิ้ขงข้างไปมันก็ได้แต่เก่งเอาออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกายเราแต่ถ้าเราเพียงแค่ใส่ใจลมนั้นจะเอาความสงบไปเลี้ยงใจเราทําให้เราเนี่ยมีกําลังมีควา ม, ช, มช่่นชื่นเบิกบานในกา ร, รกที่ทํางาน ทุกวันก่อนที่เราจะตื่นไปทํางานเราก็ทำลมหายใจหน่อยห้านาทีสิบนาทีก่อนนอนเราก็ทำลมตามลมหายใจ5้านาทีสินาทีหรือดิฉันั้นก็ลองใช้วิธีการเจริญสติอยู่การทํางานนะการที่เราเจริญสติอยู่การทํางานเนี่ยก็ยทําให้เรามีความสุขได้เพราะว่า คนเราเนี่ยทุกเนี่ยเราไม่ได้ทุกข้องงานแต่มันทุกเพราะความคิดคนส่วนใหญ่เนี่ยทุกเพราะความคิดนะฮะงานนี่ก็อันหนึ่งแต่เราทุกมากกว่าเพราะความคิดเพราะความรู้สึกเพราะการวางใจไม่ถูกถ้าเราวางใจเป็นเช่นมีสติ รู้ทันความคิดนึกรู้ใจตัวเองมันจะเผลอฟุ้งมันจะเผลอคิดมันจะไปเผลอโกรธกับใครเรารู้แล้วเราวางการทำงานจะกลายเป็นเรื่องที่สบายง่ายขึ้นมันจะมีแต่ความทุกข์กายเหนื่อยกายแต่ไม่ทุกข์ใจเราสังเกตนชีพประจําจของเราเนี่ยเวลาทำงานเนี่ยแม้จะไม่มีสิ่ง สิ่งยั่วยุในไรมากแต่มันกินมันมีสิ่งด้วยยุสิ่งยัวงย่วยยุสุดอันนึ่งก็คือเพื่อล้ม ง, งานบางทีเพื่อล้ม ง, งานเขาอาจจะไม่ได้วิจารณอะไรเราแต่เขาอาจเพียงแค่ว่าเขาไม่เคียงทํางานบางทีเขาเอาเปรียบเราบางทีเขาทิ้งงานให้เราทําหรือปล่อยให้เราทํางานคนเดียวเจอแบบนี้นี่เราก็เราก็เครียดแล้วนะ มันมีกรณีตัวหนึ่งน่าสนใจนะฮะอันนี้เป็นเป็นเป็นเป็นเรื่องราวในสารคดีเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมันมีการทำสารคดีมันมีสารคดีชุดหนึ่งของทีวีไทยเรื่องพลเมืองเด็กก็มีการเอาเด็กเนี่ยสามคนมาทำกิจกรรมเปลี่ยนไปทุกอาทิตย์กิจกรรมเกี่ยวกับการทำประโยชน์เลี้ยงมาบ้าง ทำความสะอาดห้องเรียนบ้างเด็กก็ประมาณ 12-13 นะคล้ายๆเรียนที่โชว์แล้วเขาก็มาดูว่าเด็กเขาแก้ปัญหาอย่างไรก็มีคราวหนึ่งเียให้เด็กเนี่ยคนเนี่ยเด็ก3คนจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะเอาเด็ก3คนเนี่ยไปขนของของึ้นรถไฟรถไฟเนี่ยมันมีเวลาออกที่แน่นอนใช่ไหมครับงั้นก็ต้องรีบขนปรากฏว่าบ่ายวันนั้นเนี่ยสมจิ ต, ตจงจอหหอรู้จักใช่ไหมคสมจิตนักชกเหลีทองโอลิมปิกขึ้นชกมีการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ ให้เด็กสองคนเป็นผู้ชายเนี่ยก็ทิ้งงานไปดูสมจิตชกในร้านกาแฟข้างๆสถานีก็ทิ้งให้เพื่อนผู้หญิงเนี่ยอายุไล่ไล่ไล่ไล่กันสิบสามได้ไนขะนของคนเดียวพิธีกรก็ไปถามว่าคิดยังไงกับเพื่อนสองคนที่ก็ทิ้งเราไปเดี๋ยวเขาก็ตอบว่าก็หนูก็เข้าใจเขาเขาก็เป็นแฟนสมจิตก็ให้เขาไปดูหนูก็ทําไปก่อนพิธีกรก็ยังไม่พอใจก็เลยถามแย่ว่า แล้วหนูไม่ไม่โกรธไม่คิดไปด่าว่าเขาเลอที่เขาทิ้งงานให้หนูทำคนเดียวเด็กตอบอย่างนี้นะฮะว่าหนูขนของคุณลรไฟหนูก็เหนื่อยอย่างเดียวแต่ถ้าหนูไปโกรธไปด่าว่าเขาด้วยหนูก็เหนื่อยสองอย่างตกลงหนูก็เลยเหนื่อยอย่างหนูเลือกที่จะเหนื่อยอย่างเดียวนะอันนี้ตารมาตอบเองนะหนูเลิ่มเหนื่อยเรือยขึ้นหนูก็ทาไป หนูไม่ไปกลัวไปด่าว่าใครเพราะไปกลัวไปด่าว่าใครหนูเหนื่อยสองอย่างเรื่องอะไรหนูจะไปไปเหนื่อยสองอย่างใช่ไหมแต่พวกเราล่ะปกติเราหนือเราเลือกที่เหนื่อยีอย่างนะถ้าเจอเพื่อน่างนี้ไปฉันจฉันจะเลือกเหนื่อยสองอย่างทําไปด่าไปทําไปบ่นไปใช่ไหมอันนี้ทําให้ทุกข์นะฮะอันนี้พราะไม่มีสตินะพาะไม่มีสติพ่อเด็กคนนี้แกมีสติก็รู้เลยว่าพอแกไปบ่นไปด่าว่าเขาเนี่ย แกจะเหนื่อยสองอย่างคือเหนื่อยกายและเหนื่อยใจเด็กคนนี้แกสิบสามแกฉลาดฮะแกรวยฉันไม่เอาฉันไม่เอาเหนื่อยสองอย่างฉันเหนื่อยอยางเดียวกอ่อนนะถ้าเราไม่มีสติถ้าเราเราจะเหนื่อยสองอย่างเราจะทําไปด่า j, ไปทําไปบนไปนะฮะแล้วคนเราเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยทุกข์เพราะเห็นนี้ซะเยอะนะฮะทุกเนี่ยถ้าเราถ้าเราถ้าเราเลือกที่จะทําแบบเด็กคนนี้นะฮะความทุกในการทํางานเนี่ย เราจะหาร2หาร3ามได้เลยนะเพราะว่าความทุกเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันเกิดจากใจมากกว่าเกิดจากใจที่มันบกรมันตีโพยตีพายว่าไม่เป็นทรรมไม่เป็นทรรทำไมฉันทำไมต้องเป็นฉันคนเวลาป่วยเนี่ยป่วยกายเนี่ยทุกข์แค่อย่างเดียวนะฮะแต่พอป่วยใจด้วยเนี่ย ม, ม, มันมันมันมี2มันทุกข์มันคูณ3ามเลย ทุกเนี่ยมันคูณสามทันทีที่เราวางใจเว้ผิดมีคนเขามีคนเขาเขาวิจัยพบว่าคนเวลากลัวเนี่ยกลัวเข็มฉีดยาเนี่ยคนที่กลัวเข็มฉีดยาเนี่ยเวลาโดนโดนเข็มทิ่มลงไปเนี่ยเขาจะรู้สึกเจ็บเป็นสามเท่าของคนที่ไม่กลัวอันนี้เราก็ไม่ทราบว่าเขาเขาวิจัยยังไงนะฮะแต่ว่ามันก็ไปสอดคล้องกับประสบการณ์หลายอย่าง เคยมีพยรบาลเนี่ยอาตมาก็ทํางานเกี่ยวเรื่องช่วยเหลือผู้ปว่วยระยะสุดท้ายนี่บ่อยนะมีเพยรบาลคนหนึเขาเล่า <c oughs> เขาก็เป็นเพยาบาลที่ไปเยี่ยมบ้านเนี่ยและเพียรบาลที่ไปเยี่ยมบาย้านไปเยี่ยมคนไข้ระยะสุดท้ายเนี่ยหรือคนไข้หนักๆเขาก็จะให้ทําให้คะแนนความเจ็บใช่ไหมฮะให้คะแนนความเจ็บทุกครั้งก็จะให้คะแนนความเจ็บว่าตอนนี้เจ็บเท่าไหร่มีคนหนึงเนี่ยใหม่กันไม่ค่อยรู้ใช่ไหมเพยาบาลถามว่าลองให้คะแนนความเจ็บเสียเท่าไหร่ แกบอกเจ็บสิบเจ็บสิบคะนนแนนบางก็ตกใจเจ็บสิคะแนนนีย่ยังมานั่งคุยอย่างนี้ได้ยังไงไหนไหนป้าธิบาย่เจิคะแนนเป็นยังไงจะบอกว่าร่างกายเจ็บสมส่วนแล้วก็จิตใจปวดอีก3 ส, ส, ส่วนอีก7ส่วนมันก็เป็น10ใช่ฮะบอกเจ็บคะแนนนั น, นคนเราเนี่ยเวลาเวลาเวลาทุกใจเนี่ยเวลาเวลาทุกกายเนี่ยมันแค่1ส่วนนะ แต่พอเราไปทุกใจเข้าไปทีเดียวเนี่ยมันคูณ2กลายเป็นทุกทุกคูณ3ามและนี้มัไม่ใช่เฉพาะเวลาความเจ็บป่วยทางกายนะความเหนื่อยกายก็เหมือนกันเหนื่อยกายเนี่ยเหนื่อยแค่อย่างเดยวกับพอใจระวังไว้ไม่ถูกเนี่ยมันคูณ3ามทันทีคือเพิ่มมาอีก2 ส, ส่วนแล้วคนเราทุกข์เพราะใจที่วังไว้ผิดเนี่ยมัน2เท่าของความทุกข์ทางกายจะเนื่องจากความป่วยหรือการทํางานก็แล้วแต่ เวลาคุณเดินนะเดินทางไกลเนี่ยต้อมจาจัดธรรมญาติตราทุกปีเดินทางไกลเดินไกลเนี่ยมันไม่เท่าไหร่นะแต่พอใจวางว่ไม่ถูกเนี่ยเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึงเนี่ยมันจะเหนื่อยเร็วขึ้นมันจะเมื่อยได้เร็วขึ้นนะนนเวลาเราเดินต้องเดินอย่างมีสติฮะเดินย่งมีสติเนี่ยรูรู้ใจที่มันบ่นรู้ใจที่มันวุ่นวายวางซะให้มันเหนื่อยแต่กายใจไม่เหนื่อย จะเดินได้นานจะเดินได้ทนแม้จะช้าแต่ถึงเร็วช้าแต่ถึงเร็วนะฮะเพราะว่ามันไม่ต้องพักก็ได้ดังนั้นการสติความสุขจากการทำงา น, น่วนเกิดจากการที่เรามีสตินะฮะเรารู้จักเราเวลาเราทำงานเนี่ยเวลามันจะบน่นมันจะวอยวายเพราะรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมหรือมันจะกังวลพราะนึกไปถึง จุดหมายไปายทางข้างหน้ามันจะบน่นเมื่อไหร่จะถึงมเมื่อไหร่จะถึงเนี่ยไอตัวทั้งหมดเนี่ยมันคือตัวการทําให้เกิดความทุกข์ใจทําให้เกิดความเครียดพอเราเมตสติพูกเราวางได้ทําแต่งงานทําแต่ตัวแต่ใจไม่เครียดนะมันก็ทําได้ทําได้เรื่อยทําได้นานนะแล้วเราสามารถจะทําได้ในชีวิตประจําวัน นี่คือเหตุผลว่าทําไมการทํางานอย่างปล่อยวางถึงเป็นไปได้อาจารย์พุทธะบอกว่าให้ทํางานด้วยจิตว่างทางานอย่างปล่อยวางก็หมายความว่าเวลาเราทำงานเนี่ยใจเราอยู่กับงานอยู่กับงานที่ทําขนาดนั้นเราไม่ไปมองข้ามช็อตไปถึงอนาคตเราเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่จะเสร็จคนเรานี่พอทํางานใหญ่ยๆยากๆแล้วเนี่ยมึกือไปถึงข้างหน้าแล้วเนี่ยมันท้อนะฮะ ปล่อยวางทำไมอย่างปล่อยวางคือปล่อยวางอนาคตไม่ใช่ว่าเราไม่คิดถึงเรื่องอนาคตนีไม่ใช่ไม่คิดว่าเราไม่วางแผนเราวางแผนแต่ว่า ท, าทันทีที่เราวางแผนแล้วเราก็ทํางานอยู่กับปัจจุบันพรุ่งนี้ให้เป็นเรื่องของพรุ่งนี้ไปอาทิตย์หน้าก็เป็นเรื่องของอาทิตย์หน้าไปแต่ถ้าเราทําตอนนี้เราทาําช้าเรานึกถึงเรานึกถึงพรุ่งนี้เรานึกถึงวันรุนนี้นี่โ ustedes, มันห่อเหี่ยวเลยนะฮะ เวลาเรากินเวลาเรากินแตงโมกินหนมเคก้กก้อนใหญ่ๆนี่เราต้องทำยังไงฮะถึงจะกินได้หมดนะต้องแบ่งใช่ไหมฮะเป็นแปดส่วนสิบหกส่วนใช่ไ้ยแม้เป็นสิบกเสี้ยแล้วยังกินได้ไหมฮะยังกินไม่ได้นอกกินทีละคำใช่ไหมฮะขนาดของอรอยเราต้องเคี่ยวทีละคำเดเลยวมจะหมดแต่เวลาเราทางานเราจะคิดสวาปามาันทั้งหมดในเวลาวันเดียวได้ไหมไม่ได้นะฮะ เราทำไม่ได้แต่ใจเราเนี่ยพยายามคิดทําไมเราไม่แบ่งซอยเป็นวันเป็นเซี่ยวเป็นเซี่ยวเป็นเซี่ยวงานสามเดือนเราซอยเป็นเป็นทีละเดือนทีละเดือนทีละเดือนเราซอยเป็นทีละทิศทีละทิศเรยาซอยเป็นทีละวันแล้วก็คิดว่าแต่ละวันแต่ละวันเราจะทําทอะไรบ้างเมื่อเราทํางานเรามีสติอยู่กับงานในแต่ละวันในแต่ละชั่วโมงแล้วก็ในแต่ละนาทีมันก็จะค่อยฟลอร์ไปเรื่อย นะอันนี้ก็คือการปล่อยวางปล่อยวางเรียก้ว่าปล่อยวางอนาคตปล่อยวางเป้าหมายเมื่อเราวางแผนเป้าหมายเสร็จแล้วเราวางได้เลยเราทำแต่เฉพาะปัจจุบันขณะอันนี้ก็เป็นการเจริญสติในชีวิตประจำวันได้เจริญสติในการทำ ง, งานปล่อยวางเนี่ยมันรวมถึงปล่อยวางในผลที่เกิดขึ้นด้วยนะฮะ ส่วนใหญ่เวลาเราทําเสร็จเนี่ยเราจะยึดว่าเป็นผลของเราเป็นงานของเราแล้วเมื่อเรายึดเป็นงานของเราใครมาวิจารณ์งานมันก็เหมือนกับวิจารณ์ตัวเราทั้งท่านี้งานไม่ใช่เราแต่เราอดไม่ได้ที่จะยึดว่างานนี้คือเราของเราเนี่ยที่จะรย์พูดท่าเรียกว่าตัวกูของกูแหละคนเราพอไปยึดว่าเป็นงานของกูเนี่ยใครมาแตกก็ไม่ได้นะฮะเราก็โกรธแล้วใครมาวิจารณ์ใครไม่ชมเราก็โมโ ห, โหนะฮะ ใครมาวิจยัยงานก็เหมือนกับวิจาร์ตัว ก, กูก็ทุกนะฮะอาจารย์พุทธทาสบอกว่ายกผลงานให้เป็นของความว่างยกผลงานเป็นของธรรมชาตินั่นเองนะหรือยกผลงานให้เป็นของกลุ่มก็ได้เป็นของบูคคลนไม่ใช่ของเราถ้าเราทําใจแบบนี้เนี่ยเวลาคนวิจาร์งานเนี่ยเราจะทุกน้อยลง เพราะเราไม่รู้สึกว่าเขากาลังว่ากูเขากาลังด่ากูมันไม่มีตัวกูไปรับแต่มันมีแต่ว่าเออที่เขาเขาพูดมาที่ถูกไหมพูดมาจริงไหมเราก็ปรับปรุงแก้ไขไปถ้าไม่จริงเราก็ช่างมันนะและการที่ปรับปรุงแก้ไขเนี่ยมันก็ทำให้งานมันดีขึ้นนะอันนี้เรียกว่าเป็นการเป็นการปล่อยวาง คนของงานไม่เป็นยึดว่าเป็นตัวกูของกูไม่ใช่คําด้งานแต่เราลองทําดูเดี๋ยวนี้เนี่ยมีความัดแยกเกิดขึ้นเพราะไปยึดว่าเป็นเป็นงานของกูบางทีก็ไม่อยากให้ใครมายุ่งมายุ่งยากในงานชิ้นนี้โดยเพราะรัชการซึ่งมีการแบ่งเป็นฝักเ ป, เป็นฝ่ายอ่าเป็นเป็นฝ่ายเป็นแผนกมากเนี่ยมันจะมีความสุขเป็นตัวกูของกูสูงมากก็จะไม่อยากให้ใครมาแย่งชิมผลงานนี้ไปไม่อยากให้ใครมาเคลมผลงานนี้เนีเพราะนี้ของเรา แต่คนอื่นก็อยากจะมาเคลมมาเป็นของกูเหมือนกันมันก็เลยเกิดความขัดแย้งขึ้นมาทำ ง, งานก็เลยไม่มีความสุขแต่ถ้าเราข้ามคนจุดนี้ไปได้เนี่ยการทางานมันจะมีความสุขมากนะฮะประการต่อมาเนี่ยอันนี้เร่วาพูดถึงความสุขนะพูดถึงเรื่องความสุขจากการทำงานความสุขจากการมีสติความจุความสุข เมื่อเรารู้จักปล่อยวางความสุขจากการที่เรามองแง่บวกก็สำคัญนะครับการมองแง่บวกเนี่ยมองแง่บวกหมายถึงอะไรมองแง่บวกมันมีความหมายสองแง่ความหมายก็คือว่าการที่เราสามารถจะเห็นเห็นข้อดีที่มันอยู่รายลอ่อข้อเสีย มีครูคนนึงเนี่ยนะฮะเป็นครูประจําชัน้นวันนึ่งก็ถูกระดาษแผ่นนี้ขึ้นมาแล้วก็ถามว่านักเรียนนักเรียนเห็นอะไรนักเรียนทั้งชั้นก็ตอบว่าเห็นจุดครับจุดสีดำอยู่ตรงมุมนะฮะมุมขวาถูไหมถู ก, นะถกแต่ครูถามต่อไปว่าแล้วนักเรียนเห็นสีขาวของกระดาษบ้างหรือเปล่า นักเรียนทั้นจำเห็นแต่จุดสีดำนะไม่เห็นสีขาวกระดาษหรือเห็นแต่ไม่สังเกตนะฮะสังเกตแต่สีดําเห็นแต่ไม่สังเกตก็เหมือนกับไม่เห็นนั่นแหละมนุษย์เป็นอย่างนี้ฮะคือเราเห็นแต่สีดําเวลาเราทํางานเนี่ยจะเป็นงานของเราหรือเป็นงานของเพื่อนก็ตามเราจะเห็นแต่ไอ้ข้อที่มันเป็นจุดอ่อนข้อเสียแล้วเราก็เลยไม่มีความสุข พ้าเราไม่เห็นไอ้สีขาวดาษพระอาจารย์พรมพอาจารย์พรมมะวังโสถ้ท่านเป็นพระชาวอังกฤษมาบวชที่สำนัุหลวพชาแล้วต่อมาท่านก็ไปไปสร้างวัดที่ออสเตรเลียออสเตรเลียนี่พระต้องสร้างวัดกันเองเนะก็เหมือนวัดป่าทั่วไปพระต้องออกแรงกันเองและยิ่งออสเตรเลียค่าแรงมันแพง้วยพระอออก็ออกออกออกแรงกันเอง อาจารย์คลงก็แต่ละมอบหมายให้ก่อกําแพงแต่คนละกาแพงอย่างที่พูดตอนเช้านะครเมื่อกี้นี้คนละอันเอง ถ, ถ้าเรามอบหมายก่อกําแพงถ้าก็ต่ออย่างดีนะฮะวางอีกแต่ละฟังแต่ละกอนให้เป็นระเบียบให้ได้มุมกันท่านก่อกําแพงเสร็จแล้วปรากฏว่าสังเกตเห็นสองก้อนเนี่ยมันมันไม่ได้มุมไม่ได้ฉากกันมันมันไม่ราบเรียบ ท่านก็ไม่ชอบอยากจะลื้อแต่มันลื้อไม่ได้แล้วเพราะว่าปูนมันแข็งแล้วท่านบอกว่าเนี่ยขออนุญาตเจ้าว่าดรื้อกำแพงได้ไหมเจ้าว่าไม่ยอมก็ทําเสร็จแล้วเนี่ยฮะจะลื้อทำไมแล้วท่านก็ไม่มีความสุขมากทุกครั้งที่เวลาเดินผ่านกำแพงนี้เนี่ยท่านจะเห็นแต่ไอ้ก้อนสองก้อนเนี่ยอยู่ตลอดเวลาท่านไม่ชอบเลยแล้ววันนึงเนี่ยมีอาขัตุกะมาเยี่ยมที่วัดท่านอาขัตุกะผ่านกำแพงนี้ อาคารตุกกาศก็พูดชมว่ากำแพงนี้สวยอาจารย์พรหมท่านก็แปลกใจท่านก็ไม่เชื่อหูท่านก็ถามว่ามันสวยได้ยังไงคุณไม่เห็นไอ้ก้อน2งก้อนนี้เหรออาคาตุกากาศว่าผมเห็นครับแต่ผมเห็นอีก 99, 98, 99, 98ก้แล้วกปก้ากิ้อนมันสวยนะเข้าใจฮะคืออาคาตุกกาศ เ, เห็น2ก้อนแต่เห็นไอ้ก้าวแล้วก้ก้อนว่ามันสวย ไอ้2ก้อนก็เลยไม่ yeah. it, mm. ม, มีความหมายถ่าจจำผมก็ได้คิดขึ้นมาเออที่ท่านไม่มีความสุขเวลาเดินผ่านกำแพงเพราะท่านเห็นแต่ไอ้สองก้อนเนี่ยท่านลืมมองไอ้เก้ารเก้้ก้อนที่เหลือซึ่งมันมีมากกว่าก็เหมือนกับเรื่องนี้แหละฮะเห็นแต่เห็นนักเรียนส่วนใหญ่เห็นแต่จุดสีดำหรือจุดสีน้าเงินแต่ไม่เห็นสีขาวกระดาษ เวลาทํางานนี่ต้องมองแง่บวกด้บ้างนะฮะมันจะทําให้เรามีกําลังใจแน่นอนอันไหนที่บกพร่องก็ต้องแก้ไขกันไปแต่ว่าอย่าไปมองเห็นแต่ส่วนที่มันเป็นลบส่วนที่มันเป็นบวกก็ควรจะเห็นด้วยแล้วก็ไม่ใช่เห็นเฉพาะของเราเห็นเฉพาะเห็นของเพื่อนด้วยเห็นของเพื่อนเราก็จะชื่นชมมันมากขึ้นตอนนี้เรามักจะวิจัยกันเดี๋ยวนี้เราเวลาทำาม เรามักจะวิจารณนถ้าจะให้วิจารันเนี่ยวิจารั์ได้ถนัดเลยนะแต่เวลาจะให้ชมเนี่ชมไม่ออกนะอาตมาก็เคยเนะเจอเวลามีการวิจารันเนี่ยวิจารณงานวิจารณ์อะไรเนี่ยก็วิจารณ์กันได้กันทะลุ ป, ปูปโลงเลยนะแต่บอกพอบอกว่าไหนคุณลองชมใชชมไม่ออกฮนะเพรมองไม่เห็นในที่ทํางานอาตมาที่ว่าลองลองถามวันนี้บ้างเมื่อชมเมื่อ ให้มีให้ให้มีกติกาว่าเวลาวิจารณ์หนึ่งข้อเนี่ยลองให้ชมสองข้อถ้าคุณหาข้อชมสองข้อไม่ได้ก็อย่าวิจารณ์แต่ถ้าคุณจะวิจารณ์หนึ่งข้อคุณต้องหาคำชมข้อชมมาให้ได้สองข้ออาตมาช่วงมันจะเปลี่ยนมุมมองของเราเกี่ยวกับการทํางานรวมทั้งเกี่ยวกับคนที่เราเกี่ยวข้องด้วยแม้คนนั้นจะเป็นลูกของเราก็ตาม มีแม่คนหนึ่งนี่แกทุกข์มากเลยเวลาลูกกลับมาทีไรถามลูกวันนี้ไปทําไปไปทําอะไรมาไปก่อปัญหาอะไรมาถามทุกวันนะเพราะลูกเป็นออทิสติกอ่อนๆวันนี้ลูกไปทําไปไปทะเลาะใครมาวันนี้ลูกไปมีปัญหาอะไรมาถามทุกวันจกนกระทั่งวันหนึ่งครูให้ลูกเขียนครูให้เด็กคนนี้เขียนเรียงความว่า เรียนงความว่าความดีของฉันเด็กเขียนไม่ออกนะเพราะมองมเห็นความดีของตัวเลยครูก็มาเล่าให้แม่ฟางแม่พอได้ยินเนี่ยร้องไห้ลูกแม่เขาไม่เห็นความดีของตัวเองเลยอายุเจขวบนะฮะทําไมไงั้นพ่อลูกพ่อแม่เอาแต่ถามลูกอยู่นั่นแหละทุกวันทุกวันวันนี้ลูกไปไปมีเรื่องกับใครมาบ้างวันนี้ลูกไปสร้างปัญหาอะไรมาบ้าง ลูกไปทําเรื่องอะไรมาบ้างพูดอย่างนี้ทุกวันตองเด็กเนี่ยไม่เห็นไม่เห็นสีขาวเลยนะเห็นแต่ไอ้กระบาลเห็นแต่ไอ้ไอ้ไอ้ไอจุดตดําๆของตัวเองนี่แอาตมาก็เลยแน่ว่าทีหลังเนี่ยลูกมาก็กลับบ้านก็ถามวันนี้ลูกทาอะไรดีมาบ้างถามนี้สิเด็กจะได้เห็นความดีิงตัวเองบ้างและแม่ก็จะได้เห็นด้วยเพราะแม่เนี่ยเห็นแต่ความไม่ดีเพราะว่าลูกนี่เป็นออทิสติกก็จะมีปัญหายอย่างนี้แหละอาตมาก็อาตมาชิดว่าการกา ร, การมอง การมองในแง่บวกก็เป็นสิ่งสำคัญนะฮะคิดวัตถมาก็ใช้เวลาพอสมควรแล้วนะฮะอย่างสุดุคือว่าการทำงานความสุขจากการทำงานเนี่ยนะเราสามารถจะทำได้ถ้าหากว่าหนึ่งเราเห็นคุณค่าของงานนั้นนะฮะ เราเห็นคุณค่าของงานว่างานที่เราทำเนี่ยมันมีคุณค่าอย่างไงบ้างไม่ว่าจะเป็นคุณค่าต่อส่วนรวมหรือคุณค่าต่อตัวเราเองในในเชิงของการพัฒนาจิตใจนะอันที่สองเนี่ยเราเรียนรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบันทำงานโดยอยู่กับปัจจุบันรู้จักวางไม่กังวลกับอนาคตแล้วก็ไม่อะไรอดีตนะฮะ คนราทุกส่วนใหญ่เพราะอะไรอดีตหรือกังวลกับอนาคตอันนี้จะมาแถมหน่อยฮะมีนักปีนเขาคนหนึ่งเนี่ยแพูดไว้ดีนะนักปีนเขาคนนี้นี่แกปีนเขามาทั่วโลกแล้วที่เขาสูงสุดในโลกนี่รวมทั้งเอเวอเรสต์ด้วยแกพูดไว้น่าฟังนะแกบอกว่าเวลาแกมองยอดเขาจากตีนเขาเนี่ยหรือมองยอดเขาจากที่ไกลๆเนี่ยแกจะรู้สึกท้อ เพราะมันอันตรายมันไกลแต่สิ่งที่แกรู้ประสบการณ์คือว่าเมื่อใดก็ตามที่แกไปจดจออยู่กับพื้นดินใต้ฝ่าเท้าแกแล้วก็เดินไปทีละก้าวเดินไปทีละก้าวใส่ใจกับทีละก้าวทีละก้าวในที่สุดก็จะถึงยอดเขาเองแล้วก็จะพบว่ามันไม่ได้ยากอะไรเลยการมองปัญหาจากที่ไกลๆเนี่ยจะทาให้เรารู้สึกท้อได้ง่าย แต่เมื่อเราจดจ่อใส่ใจอยู่กับแต่ละขณะแต่ละขณะที่ทําเนี่ยมันจะไม่ใช่เรื่องยากเลยอันนี้แกคงไม่ได้มาถึงยอดเขาอย่างเนียแต่มาดิน ง, งานภารกิจที่มันใหญ่ที่มันยากเมื่อเรามองจากที่ไกลเราจรู้สึกมันยากแต่ถ้าเราสนใจกับแต่ละขณะแต่ละขณะที่เราทํางานก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายนะเมื่อเราอยู่กับปัจจุบันทําปัจจุบันให้ดีที่สุด แล้วก็มีสติไม่ไปกังวลกับอนาคตเรารู้จักมองแง่บวกรวมทั้งรู้จักปล่อยวางนะก็ทำให้เรามีความสุขได้ได้ง่ายขึ้นและความสุขนี่แหละมันจะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงให้เราเนี่ยไม่ยี่รักกับสิ่งยั่วยวน ใครเขจะมายัย่วยวนเราด้วยอาเมนที่ไม่ถูกต้องเราก็ไม่สนใจเพราะว่าเรามีความสุขอยู่แล้วภายในแม้คนไม่ชมเราก็ไม่ทุกข์ใครเรียกันเราก็จะมีแรงต้านทานต่อสิ่งยัย่วยุใครเขจะมาวิจารณ์เขาจะมดาด่าเราก็เราก็มีภูมิต้านทานไม่ใช่ไม่ฟังนะฮะแต่มันจะไม่มันจะไม่กระแทกตัวตนของเรา คำวิจัยมันจะกลายเป็นประโยชน์เพราะว่าเราเอางานไปที่ตั้งเรามีใจไฝรู้เราก็จะเปิดใจฟังคาวิจารณ์นะฮะและถ้าเรามีสติแม้ใจจะกระเพื่องคุณเคืองเราก็วางได้แม้จะมีเพื่อนมาทำตัวไม่น่ารัก เราก็หรือเอาเปรียบงานเอาเปรียบทำให้เราทำงานหนักขึ้นเอาเปรียบแรงงานของเราเราก็เรียนรู้วิธีที่จะเหนื่อยอย่างเดียวไม่เหนื่อยสองอย่างเพราะเรามีส ต, ตินะฮะมันก็ทำให้ความร้อนความแรงการกระทบกระแทกในใจ ม, นมันมีน้อยลงแรงเสียดทานมีน้อยลงล้วก็สามารถจะทางานได้มีความสุขมากขึ้นเรือ่องมากก็ ม, มีความทุกข์น้อยลง เราจมาชื่อตรงนี้เนี่ยเป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยหล่อเลี้ยงให้เรามีความสุขได้การทํางานเพื่อส่วนรวมก็จะเป็นไปได้อย่างมีความต่อเนื่องงานก็ได้ผลคลก็เป็นสุดด้วยเพราะคิดว่าใช้เวลานานพอสมควรแล้วนะครับผมต้องขออ่ายุติการบรรยายแต่เพียงเท่านี้ไม่ทราบว่จะมีเวลาสอบถามหรือเปล่าไหมฮะ การขอบขอบวนขบวเจ้าให่โจรนะครับมีเพื่อนๆอยากถามคำถามขบวนเจ้าอสองสาเรื่องครับแทนพอเิลาที่ทำงานสารพันสุดนั้นก็มีไม่เยอะหรอกขบวนเจ้าใหญ่โจรลงมาประมาณ8ปเรื่องอคำถามก็ถอนความนี้ครับกระทรวนสาธรสุขพยายามเติมเต็มในพม่า ตอนนี้จะเป็นปปสตเกิดผกระทนะครับปี่หน้าอีกแปดทันแห่งก็ต้องทำงานด้วยสกิลต่อไปที่ไทยที่จะถามกถามทาด้านนี้นะครับรบันวันการพ่อพิษานนะครับผมติดผจอเจริญราษฎร์อำเภอเขาขึ้นพบาทสระบุรีถึงมาช้าแต่ก็มานะครับ ารเด็นที่หลวงพ่อให้สตินั้นหลวงพ่อให้สตินั้นมันตรงกับการบริหารงานปัจจุบันทะ่านนี้เป็นการแลกเปลีนะ่ยนเรียนรู้ะหลวงพ่อนะครับบางสถานีนามัยเนี่ยมาหน้าสออหรือพอราพอสอตอนลูกน้องเอาอยากเอาไปขึ้นยิ่ง หมายความว่า Explain แล้วแต่ผมแนะนําให้ว่าพออรอคอตตหรือลูกพี่ของท่านเนี่ยส่วนนี้ก็มีพดุทธไรแมกบอลไรจบบางหัวหน้าสอมุ่งที่งานไม่เป็นทีข้อมูลก็ไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นแต่เขาบริหารเป็นเอาให้ใจร้อนๆเป็น น้องๆมองลูกพี่พี่นะครับในส่วนที่ดีของเขายังมีอยู่ก่อยผมเอย ห, หรือก่อนกเสษียงผมให้มองตรงนี้และน้องๆช่วยนะครับลักษณะอย่างนี้เป็นต้นการทำ ง, งานต้องทำเป็น ท, ทีมเวิร์กจะาเด่นคนเดียวเด่นคนเดียวแล้วตายนะครับเอาลูพี่ฝากชื่อพี่เข้าไปด้วยว่าไปทำงานเป็นทีม ผลงานเด่นระงวัลที่หนึ่งกว่าเรียบพระพุทธบาทอย่างนี้เป็นต้นเอาลูกทีใฝ่ด้ว ย, ยางนี้นะครับได้ใจครับได้ใจลูกทีประเด็นต่อมาเอ่อผู้จัด ก, การปล่อยวางแล้วก็ทำ ง, งานอย่างมีความสุขจะสุขได้อยู่ที่สปออสอชอผมพูดตังแต่าวานะครับก็ประมาณ ไปให้เข้าไปพออยู่พอกินพอเปิดค่าเยีเยงยาได้ลักษณะแค่พ อ, อพออยู่พอกินให้ตรงลงไปที่โรงพยาบาลตะบนเลยแล้วงานางทุกกลุ่นทุกอย่าง28ตัวชีวัด28งานซักเศษครับและซักทาเวิร์ดไวและท่านอย่มองนะครับคนนี้ครับ ก, กี่แมนะรับองเภอ ยี่สิบแปดตัวชีวิตจะผักจะดัน จ, จะจี้จะวิ่งคนนี้ทั้งนั้นแหละครับได้ทั้งหมดถ้าเจริญทำเป็นคนนี้แล้วบางครั้งน้องๆที่อยู่สถานีรถัยที่แห่งสิบแห่งบางครั้งยากจนอันนี้ก็จริงนะฮ ะ, ะถ้าพูดถึง่การบริหารเนี่ย put the right man on on on the right job อ่า แต่ขณะเดียวกัน right attitude ก็สาคัญนะอันนี้จะมาพูดเป็นหลักการกว้างๆนะครับเพราะว่ามันต้องทำสองส่วนในพนุทธศาสนาดูว่าการบริหารงานบริหารคนแล้วก็บริหารใจมันต้องไปด้วยกันส่วนใหญ่มันมักจะ มักจะมักจะแยกส่วนกันคือส่วนหนึ่งจำพวกนึงก็เป็นในเรื่องการบริหารงานและบริหารคนอันนี้จะเป็นการบริหารแบบฝรั่งส่วนที่เป็นการบริหารแบบไทยๆเนี่ยหรือที่เอาเป็นบัญหาแบบพุทธเนี่ยก็คือบริหารอา ร, รมณ์ความรู้สึกหรือบริหารใจตัวเองแต่สมาชิกว่ามันไม่สามารถจะแยกกันอย่างนั้นได้จริงๆแล้วในพุทธศาสนานเนี่ย เราพูดว่าการทําจิตและการทํากิจต้องไปได้วยกันทําจิตคือจิตของเรานะและการทํากิจคืงานที่เราไปเกี่ยวข้งของกับผู้คนพุทธศาสน า, าจะไม่ได้เน้นแต่เรื่องการทําจิตเพราะฉะ น, นั้นเนี่ยธรรมะคิดว่ามันก็มาโยนถึงเรื่องการบริหารว่านอกจากเราบริหารงานบริหารคนซึ่งเป็นซึ่งอยู่นอกตัวเราแล้วเนี่ยเราต้องบริหารใจของเราด้วยอันนี้ธรรมะเคยพูดถึงก็ว่าระไอ จ, จิอจุไอจิจูเนี่ยสำคัญ แล้วพอสิ่งที่ตาพูดมาเมื่อกี้นี้เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของการบริหารใจเพื่อให้มีความสุขหรือการวางใจให้ถูกนะแต่ว่ามันต้องไปด้วยกันทั้งสองอย่างน ะ, ะัตาาก็ไม่มีความรู้มากพอที่จะพูดเรื่องการบริหารคนบริหารงานได้แต่พูดกวา้วางๆว่าเมื่อเราทำงานเนี่ยเราก็ให้เราอยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุดนะฮะแล้วก็เราอย่าไปอย่าไปอย่าไปกัะวนกบรบวาอนาคต เพราะการจงกรมกับอนาคตเนี่ยจะจะทําให้เรามีความทุกประการทํางานมากขึ้นทั้งที่ที่เราวางแผนเสร็จเรียบร้อยแล้ววางแผนงานเรียบร้อยแล้วเราก็มาซอยงานให้เป็นงานทตละส่วนแต่ละส่วนแล้วเราก็อยู่กับปัจจุบันในแต่ละวันแต่ละขนาดในแต่ละชั่วโมงไปงานที่ยากจะากลายเป็นงานที่ง่ายขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องการบริหารงานแต่ส่วนใหญ่จะมาจะเป็ น, นเรื่องการการการวางจิตหรือการบริหารอารอมณ์ความรู้สึกของตัวเอง ว่าเป็นสิ่งสำคัญนะสิ่งหนึ่งที่อัตลักษพบอยู่เสมอคือว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยมักอยากได้เจ้านายรูปน้องที่ถูกใจอยากได้เจ้านายอยากได้รูปน้องที่รู้ใจอยากได้เพื่อนที่รู้ใจอยากได้แฟนที่รู้ใจแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจที่จะรู้ใจตัวเองเท่าไหร่เราอยากให้คนอื่นมารู้ใจเรา แต่เราไม่สนใจที่จะรู้ใจตัวเองเลยและนี่คือปัญหาเพราะว่ามันเป็นไปได้ยากที่เราจะหาคนที่รู้ใจเราได้ตลอดเวลาและบางทีเราหาไม่เจอด้วยซ้ำในโลกนี้ในชีวิตนี้ที่จะได้รูปน้องที่รู้ใจเจ้าหน้าที่รู้ใจหรือเพื่อนที่รู้ใจหรือแฟนที่รู้ใจได้พวกที่หาไม่ได้นะมันจะไม่ดีกว่ารู้ที่เราจะมาสนใจที่จะมารู้ใจตัวเอง แต่คนส่วนใหญ่นิดไม่รู้ใจตัวเองนะฮะแต่แต่เรียกร้องให้คนอื่มารู้ใจเรานั่นถ้าเรามารู้ใจตัวเองมากขึ้นรู้ใจรู้คือรู้ด้วยรู้ด้วยสติฮะรู้ด้วยสติรู้ด้วยปัญญาคือหันมามองใจเราอยู่ตลอดเวลาแล้วเราก็จะรู้ว่าบ่อยครั้งเนี่ยความทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นจากเราเองไม่ใช่เกิดขึ้นจากคนอื่นเวลามีความทุกข์กับการงานเนี่ยคนมักจะโทษคนอื่นว่าทําให้เราทุกข์แล้วกระทั่งเวลา เราขุนเคืองใจเมื่อมีคนมาด่าเราเราก็มักจะคิดว่าเป็นพ่อคราวทาให้เราให้เราทุกข์แต่ธรรมาอยากจะย้ำนะว่าว่าในโลกนี้เนี่ยไม่มีใครในโลกนี้เลยที่จะทําให้เราทุกข์ใจได้นอกจากตัวเราเองคนอื่นอาจจะด่าว่าเราคนอื่นอาจจะลักขโมยของของเราคนอื่นอาจจะทำร้าย จ, จิตใจทำร้ายร่างกายเราได้แต่ไม่มีใครทำร้ายจิตใจเราได้ คนที่ทำร้ายจิตใจเราได้มีคนเดียวครับคือเราคนอื่นทำได้อย่างมากก็แค่ทำร้ายร่างกายแต่ไม่สามารถทำร้ายจิตใจได้เราต่อเมื่อใดก็ตามที่เราวางใจไว้ไม่เป็นเรานั่นแหละถึงจะทำให้ความทุกข์ต่างๆมันเข้ามากระทบกระแทกจิตใจของเรา ใครก็ด่าว่าเราถ้าเราไม่สนใจไม่เอามาคิดเราก็ไม่ทุกข์ฮะโทรศัพท์เสียงดังแค่ไหนถ้าเราไม่สใส่ใจเมืโทรศัพท์ในห้องนี้น ะ, ะเสียงดังเนี่ยเราก็ไม่ทุกข์ฮะคนเขาอันนี้ก็มีก็มีเกล็ดนะฮะอ่ะตอตมา ชอบเล่าเกล็ดนี้ซึ่งเป็นไม่ง่ายคิดหลวงปู่บุตดาท่านก็มรณาภาพไปแล้วเมื่อสัก20ปีที่แล้วมีเกล็ดตอนนึงเมื่อสัก50ปีที่แล้วเนี่ยคนก็นิ ม, มนต์ให้ท่านมาฉันเพลงที่กรุงเทพท่านฉันเสร็จท่านก็จะกลับวัดที่สิงห์บุรีโยมก็นิ ม, มนต์ให้ท่านพักก่อนเพราะตอนนั้นท่านก็80ดสเข้าไปแล้วหรือ90แล้วก็จัดห้องให้ท่านพักให้ท่านเองหลัง ก็มีลูกศิษย์เนี่ยสีห้าคนก็มานั่งเป็นเคพื่อนลูกศิษย์ก็กระซิบกระซาบกันไม่อยากรบกวนท่านเดินท่องข้างๆเนี่ยมันเป็นตึกแถวนะฮะเป็นร้านค้าเจ้าของเนี่ยเป็นอัศวินคนจีนสมัยก่อนเนี่ยก็จะสวมเกียะเกี ย, ยวไม้พวกเราทันไหฮะเกี๊ไม้เดินขึ้นเดินลงเสียงก็ดังเข้าไปในห้อ ง, องที่หลวงพ่อลระกูบวดา จำวัดอยู่ลูกศิษย์ที่นั่งอยู่ในห้องท่านก็บวดขึ้นมาว่าเนี่ยเดินเสียงดังจังเลยไม่เกรงใจเหลวงปูท่ท่านถ้าไม่หลับนะท่านได้ยินท่านก็เลยพูดเบาวๆว่าเขาเดินของเขาอยู่ดีๆเราเอาหูไปลองเกียยเขาเองเอาหูไปลองเกีย้ยหูหาเรื่องถ้าไม่มีสติหูหาเรื่องทันทีฉันนั้ก็ฉังนั้นแม้แต่ความเกิดความโปวดนะ ความปวดกายเนี่ยไม่เป็นต้องทําให้เราป่วยใจหรือปวดใจใอ้คนที่ทําร้ายเราเนี่ยเขาไม่สามารถทำร้ายเขาทำได้แค่ทําร้ายร่างกายเขาทาได้แค่ทำร้ายร่างทำร้ายทรัพย์สินของเราแต่ไม่สามารถทำร้ายจิตใจของเราได้ส่วนใหญ่แล้วที่เราทุกข์เพราะเราทำร้ายจิตใจข อ, ของตัวเราเองก็เพราะเราไม่รู้ใจตัวเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยสมาธิก็มาเน้นตรงนี้มากนะการรู้ใจก็เป็นเรื่องของการวางใจให้เป็น และถ้าเรารู้ใจเป็นแล้วเนี่ยอาตอมาว่างานไหนงานยากมันก็ก็ทำได้ยังมีความสุขเรื่องยากก็จะเป็นเรื่องง่ายเราจะมีความเพียรมากขึ้นเราจะไม่ยอ่อท้องง่ายๆถ้าเรารู้ใจของเรามันมีมันมีดีกรณีตัวอย่างหนึ่งนะฮะแปลกมากเลยอันนี้เรื่องจริงนะฮะ ประมาณสักเดือนพฤศจิกยายนปีที่แล้วเนี่ยอาตมาได้ยินได้ข่าวข่าวหนึง่งประเทศเกาหลีใต้คุณป้าคุณแมแกยี่หกสิบแปดแกเป็นแม่ค้าขายผักแกต้องการใบขับขี่แกก็ไปสอบใบขับขี่ตอนที่อาตมาได้ข่าวเนี่ยแกสอบมาแล้วเจ็ด้อยเจ็ดสิบครั้งสอบไม่ได้นะฮะไม่ได้ มาได้ข่าวที่เดือนกุมภาปีเนี้แกสอบได้แล้วฮะสอบได้เมื่อที่สอบมา950ครั้งแกบอกแกสอบเกือบทุกวันนะฮะตั้งแต่ปี48อันนี้คือสิ่งที่มีแต่ประเทศเกาหลีนะฮะประเทศไทยไม่มีทางเพราะเราสอบไม่ได้สามครั้งเราทำยังไงฮะถึงได้ไปขับขี่ไม่ต้องสอบ ใ, ใช่ไหม หรือไม่ก็เราก็ซื้อเอาไม่ไม่ซื้อก็ใช้นาบัทรหใช้เส้นแต่เกาหลีนี่ไม่มีทางนะคุณต้องสอบอย่างเดียวสอบข้อเขียนนะห้สิบข้อร้อยคะแนนถ้าไม่ถึงหกสิบคะแนนคุณสอบไม่ได้คุณปา้าให้แกสอบเกือบพันครั้งเราเนี่ยสอบสิบครั้งไม่ได้เราก็ท้อแล้วฮะเราก็เลิกนะฮะแกไม่เลิกฮนะแกสอบทุกวันแกก็มีกระแก แกก็ไม่แกก็ไม่ทุกนะเมื่อสอนไม่ได้คนจะทนที่จะทํานี้ได้เนี่ยมันต้องมันต้องหนึ่งมีความเพียรสูงมากสองเป็นคนที่ซื่อสัตย์สุจริตสเป็นคนที่ไม่ยึดติดถือมั่นในผลคือถ้าเราสอนยังสอนให้ได้ถ้าไม่ได้เนี่ยสมครั้งไม่ได้5ครั้งเราก็ท้อแล้วแต่คนที่สอบเป็นพันครั้งแสดงว่าเขาเนี่ยไม่ยึดติดถือมั่นในความสําเร็จ หรือความล้มเหลวสอบไม่ได้ก็สอบใหม่สอบไม่ได้ก็สอบใหม่นีคนเราเนี่จะท้อก็เพราะเราไปยึดติดถือมั่นกับความสําเร็จหรือความล้มเหลวถ้าไม่ได้ความสําเร็จฉันไม่ทําถ้าทําแล้วห้าครั้งไม่สําเร็จฉันเลิกแต่นี่แกทำนี่นั่นแหละแกต้องมีความสุขกการสอบด้วยนะฮะและแกก็ต้องเห็นว่าการสอนเปสิ่งที่ถูกต้องต้องมีความซื่อสัตสุสจริต และแกต้องวางใจเป็นอันนี้ก็ตรงกับพระหมหาชนกนะพระหมหาชนกว่ายน้ําข้ามทะเล7จวันเจ็คืนมองไม่เห็นฝั่งเรือแตกนะข้ามเรือแตกก็เลยต้องอยู่ลอยคอยอยู่กลางทะเลข้ามไหวข้ามน้ําข้ามทะเลมองไม่เห็นฝั่งนะงทุกท่านนาดีเมฆาลาเนี่ยต้องลงมามาช่วยแต่ก่อนจะช่วยก็ถามว่าทําไมท่านถึงไหว้น้ำแบบแบบนี้ในเมื่อมองไม่เห็นฝั่งมีประโยชน์อะไระที่จะไหว้น้ำเจดวันเจ็คืน ในเมื่อมองไม่เห็นฝั่งพระมาชุนกตอบว่าแม้มองไม่เห็นฝั่งแต่เราเห็นประโยชน์ของความเพียรเพราะเพียรในปีมีประโยชน์อะไรเพียรแล้วตายมีประโยชน์อะไรพระมาชุนตอบว่าแม้ตายก็ไม่เสียใจที่เกิดมาเป็นมนุษย์เมื่อมนุษย์เราเกิดมาแล้วทำความเพียรอย่างเต็มที่สุดเทวดาและมนุษย์ย่อมไม่อาจว่ากล่าวตีเตียนได้ข้าพเจ้ามองไม่เห็นแม้มองไม่เห็นแม้มไม่เห็นความสำเร็จ นะแต่พอเห็นประโยค์ความเพียรก็เลยเพียนไม่หยุด น, นํางบดินแม่ขล้าก็เลยพ่ายแพ้ต่อเหตุผลก็เลยช่วยวาา พ, พระมาชนกพาขึ้นฝั่งได้และพระมาชนกกับคุณเป้านี้ยนีนะ่เหมือนกันเลยนะครับคือแม้มองไม่เห็นความสําเร็จว่าจะได้ใบขับขี่ก็ยังสอบอย่างนั้นแหละและ้วทำไมยกคนทางพระสังคมเนี่ยโดยเฉพาะพวกเราที่ทำงานยากเนี่ยทำงานในเรื่องของสาธารณสุขเนี่ยต้อง ต้องมี จ, จิตใจนะจิตใจเด็ดเดียวแบบนี้จิตใจที่ไม่หวังความสำเร็จมากเท่าที่ทำความเพียรอย่างเต็มที่มีภาษาจริงเขาบอกว่าความพยายามเป็นของมนุษย์ความสำเร็จอยู่ที่ฟ้ามนุษย์เราทำหน้าที่อย่างเดียวคือทำความเพียรส่วนเรื่องความสำเร็จเป็นของฟ้าดินหรือว่าทารทศาสนาเขบอกว่าความสาเร็จเป็นเรื่องของธรรมชาติหน้าที่ของเราคือทความเพียร ถ้าเราทำนี้เนี่ยเราท้อแท้เท่าไหร่เราก็จะไม่ถึงแม้เราจะไม่ล้มถึงแม้เราจะไม่ประสบความสาเร็จเราก็จะไม่ทอ้อแล้วก็ทำไปเรื่อยๆนะเพราะเรามีความสุขกับการทำเราไม่ได้มีความสุขกับความสาเร็จเพราะเราไม่ได้ยึดติดกับความสาเร็จนะมันทำไม่ยากนะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่น่าทาแล้วก็ทำได้อาตมาก็อันนี้คือสิ่งที่คิดว่ามันจะเป็นวิธีการในการบริหาร ใจของเราเป็นเรื่องการวางใจที่สำคัญด้วยนะฮะประนันสการของคนเป็นอย่างสูนะครับผมไม่มีแล้วนะครับท่านสาธรสุดอำเภออุบลรัตนตัวตัวไป่หมดแล้วนะครับัญหาพิีศษก็อยาแล้วก็ผมจะเป็นช่วงนี้จะถวายของที่ระลึกให้กับพรบุญเจ้าที้เป็นท่านผู้บริการจมนาฬิกาสุขภาพแห่งชาติ